จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านอันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนณนาธรรมถามตอบคงถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะร่วมก็ขอเชิญเข้ามาได้บุคคลแรกก็คือเด็กชายพีเค จแล้วมาชกันกับพระอาจารย์ไงไงวันนี้มีวิดีโอการอะไรไหมทําอะไรไหมวันนี้อือวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าอะไรบอกว่าเด็กนี้อลูก็บอกพี่ลูกที่จะพูดเพระเพราะวาจพระอาจารย์ทําลูกจะจะตอบไม่ได้อลเลนเร็งดีๆบอกไปเลยบอกไปเลยคุณครูคุณครูรายงานแม่ว่า วันนี้เป็นเด็กดีมากค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนออเป็นยังไงเด็กดีเป็นยังไงลูกทําอะไรละ่ะที่โรงเรียนลูกก็เล่าสิคะ่ะลูกทําอะไรบ้ในโรงเรียนลูกทําอะไรมากในโรนงเรียนเขี้ยวฟังคุณครูใช่ไหมคะนั่งดีๆก่อนเขี้ยฟังคุณครูค่ะอาจารย์โอเคไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายใช่ไหมไม่ได้คะ่ะ อ, อ, อาจารย์ พยายามรักษาวความดีไว้นะเหมือนเกลือรักษาวความเค็มนะโอเคไหมโอครับผาจานอ่าไม่ใช่อธิหน้ามาได้ฟังอีกเรื่องแล้วนะเป็นเรื่องจากจากดีกลายเป็นไม่ดีไม่ได้นะต้องดีไปตลอดนะโอเคครับผาจานโอเคโอเคไหม อือคือกบกลับนไม่ใช่การขับพระอาจารย์ไปไปแล้วไปตรงนู้นเลยนะไกลไกลเลยนะไม่ได้ค่ะมีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ค่ะจริงๆมีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าเกือบ ระหว่างฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีขาวกับดําต่อสู้กันว่างเลยค่ะว่าจัดการซะเลยดีไหมบอกว่าตอบตอบโต้อะไรดีไหมแต่พอคิดถึงคําสอนว่าเออยอมหยุดเย็นก็ยอมหยุดเย็นมันก็มั น, ม, นมันทําทํายากในช่วงของวันแรกอะค่ะพระอาจารย์แต่พอหายไปแล้วเออมันก็สบายดีถ้าเราไม่ไปคิดอะไรมันก็ผ่านไปค่ะใช้ความเมตตาไว้ะ่ะอภัยค่ ะ, คะพระอาจารย์ ก็เลยรู <l ix> ้สึกเอ่อแฮปปี้ขึ้นเพราะยิได้อยาไปสร้างเวชากับองค์ชยค่ะแต่ในหน้าที่การงานถ้าเราจาเป็นจะต้องจะต้องทำเขาจะคิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมคะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องเหตุต้องผล่ะพูดไปแต่ถ้าเขาโกรธเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาจองเวรเราเราก็ทำอะไรไม่ได้ไไดใช่ไหมคะค่ะ คือเราก็ไปห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราไปห้ามาความมาค่ายพยาบาลเขาไม่ได้ค่ะถึงแม้เราจะทําได้เห็นได้ผลแต่เขาก็เราถือว่าเขาเสียหายเราเดือดร้อนค่ะคระอาจารย์ก็เลยสู้กับความอิจฉาริษยาของคนมันมันทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะนอกจากอยู่เฉยๆอ่าดีสุดเลอยู่เฉยไป ค่ะอาจารย์ตอนแรกก็แบบคิดโอ๊ยทําอย่างนี้มันจะต้องโดนอย่างสัสมหรือชังใจกันว่าพอพอมานั่งทบทวนแล้วก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์มันส ง, งบลงได้เยอะแล้วก็รู้สึกเออดีแล้วที่ไม่ไม่ไม่ไปไปนะไ ป, ไ, ป, ปไม่งั้นก็มันไม่จบมันก็ยังอยู่ยืดเยื้อต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบะนะคะเขาก็ยังคงมีความคิดที่ไม่ดีความคิดที่แบบเอมเราเราสัมผัสได้ว่าไม่ได้ ปารธนาดีเท่าไหร่ก็ก็ปล่อยผานไปค่ะพระอาจารย์อื็เหมือนเทวทัตกับพะบ ร, ร ะ, <อ>ะพุทธเจ้าเทวทัตก็จองเวรจองกรรมเท่าหร่แต่แม้วุฒิเจ้าจอยู่เฉยเฉยเขก็ยังไม่อยู่อยู่นั่ น, นพยายามหาข้อมาถือว่ากเกิดมาใช้เวรใช้กรรมแล้วคงจะไปทําอะไรให้เขาจองเวรจองกรรมแล้วมาใช่ คิดอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ว่าเออสงสัยเคยเคยไปทำอะไรเขาแหละเขาเลยตามมาทวงคืนก็ชดใช้กลับไปค่ะพระอาจารย์อ่าเีแยนะเออใช้ไปาาค่ะพระอาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานอันหนึ่งอะค่ะที่ที่สงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราเราทำโรบอทใช่ไหมคะทีนี้มันมี ลูกค้าที่เขาเขาอยากจะได้เครื่องเครื่องต้อนหมูเอาไปฆ่าเนี้ยค่ะว่าจะแล้วเดี๋ยวก็มันจะต้องอยู่ในทีมที่แบบคิดระบบไ อ, เอ้เครื่องเครื่องระบบตัวเนี้ค่ะที่ไปต้อนหมูแล้วก็ให้เอาเข้าไปลงฆ่ามันมันบาปเลยใช่ไหมคะแม้ว่ามันจะเป็นงานเราไม่บาปเราไม่ได้ทำเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทําถ้าเลี่ยงได้ก็ดี อาชีพที่ส่งเสริมการค้ากันนี่ขายเครื่องดักสัตว์เอยขายเบ็ดขายอะไรพวกนี้ก็ถือสียเป็นอาชีพที่ไม่ดีอืมค่ะอย่างงั้นจะไดะ้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังต้องทําก็ทําไปอ๋องั้นเดี๋ยวจะพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะทั้งงานประเภทนี้ค่ะพระอาจารย์แต่และ ก, ก็เอ๊ะมันไม่ได้โดยตรงเนอะมันจะบากไหมนะถ้าเป็นคนคิดระบบ แล้วให้ลูกค้าไปทําแต่คิดไปคิดมาก็เออมันเราเป็นเหมือนกับส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพระอาจารย์น้อมนำไปปฏิบัติเจ้าค่ะโอเคอ่อยู่ในเรื่องนี้เลยยากนะที่จะปฏิบัติทาที่ะอยู่ในศีลในธรรมใช่ค่ะยิ่งต้องอยู่ใน ไวยที่ยังต้องทํางานอยู่มันบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้ค่ะออ <laughs> บางครั้งมีแบบ อ, อกรมิกระเซดโดนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ออกีบบกระมิกระเซโดนมันก็โออันนี้คงคงไม่ไหวเนอบางก็อย่างนี้แหละค่ะอาจารย์จะพยายามเลือกในสิ่งที่เลือกได้ให้ให้ได้มากที่สุดที่จะไม่ทําลายสัตว์และคนค่ะ อ, อ่าเนี่ยค่ะอาธุค่ะ น้องอะไรอน้องน้องพี่คุณแม่อยู่ไหนกับนรมาสการพระแทมครับนมาสการค่ะหลวงพ่ออมีอะไรไหมค่ะไม่มีอะไรคะ่ระพอดีช่วงนี้งานยุ่งนี้ปิดแทมยังปิดแทมอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะวันจันทวันจันทร์เปิดแล้วค่ะหลวงพอ่อดันเปิดแล้วเ่ยค่ะหลวงพ่อสบายดีนะคะสบายดีค่ะหนูก็ยังก็มีสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ด้วยค่ะยังยังทำอยู่แล้วก็งานเยอะงานจนเหนือยนิด น, นึงอ่าก็ทําไปอยู่ในโลกนี้ต้องมีภาระหน้าที่ค่ะหลวงพอ่อสะดวกก็เข้ามาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะ โอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อนะค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อได้แข่แข็งแรงนะคะโอเคอ า, เอาตะวันจะไปไหนประวันไม่เห็นหน้าหลายวันจะเปลี่ยนหน้ า, าเปลี่ยนตาไปเลยเนี่ยจำไม่ได้นะไปทําอะไรมาหน้าตาถึงเปลี่ยนไป โอเคไปที่น้องน้องทิมต่อน้องทิมขอบคุณครับ่ะผู้อารย์วันนี้เจ ต, ตีกับจามณ์ไม่อยู่ครับวันนี้เข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทีมจะลองต้องอาจารย์สันติญญ ส, ญญสองแทนไหมไดเดี๋ยวมาช่วยเอ้าแม่้องดูดังดูสรุปกผมขนเล็บฟันนะังเนื้อ เอกระดูกเยื่อกระดูกน้มหัวใจตับท้งผื่ไตปอดไสน์น้อยไ้น้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสับน้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันขนน้ำตาน้ำเรลว น้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูกคบแล้วนะลูกย้อนกลับย้อนกลับได้ไหมน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำตาน้ำมันคน้น น้ำเหลือน้ำเหลือเลือดน้ำเหลือน้าเงือย่ายงไว้คล่องเจ้าค่ะรอาจารย์เดี๋ยวต้องไปไก็อย่างน้อยได้ครึ่งทางนะก็ก็อาการ32ก็ได้มาครึ่งทางค่ะตอนนี้นั่งได้่นาทีชั่วโมงกว่าครับสั้นกีุ่นาทีก็คือเมื่อวาน7นาทีครับ แล้วยาวที่สุดเย่เลยสิบเอ็ดนาทีครับอ๋อเก่งมากพัฒนาขึ้นเยอะนะจะพัฒนาต่อไปไหมจะพยายามครับอเวลานั่งทํายังไงใช้พุดโทรศัพทใช้สวดไม่ใช่อะไรพุดโทรัพท์ครับไปท่องอาการทารกสองเวลานั่งไห ม, มได้บ้บางทีครับบางทีนะอืา ในการทางเลือดสองนี่เป็นข้อมูลที่สําคัญนะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเราทั้งหมดเลยเราควรจะรู้จักร่างกายของเราเพราะมันไม่มีตัวเราตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี่นะครับตัวเราอยู่อีกโลกหนึ่งเขาเรียกอยู่โลกที่ติดต่อกันด้วยกระแสวิทยุเหมือนกับเวลาหนูไปสิงคโปร์หนูโทรกลับมาบ้านอย่างนี้ติดต่อกับแม่ ผ่านทางสัญญาณวิถีใจกับร่างกายก็อยู่เป็นคนละที่ติดต่อด้วยการสัญญาณของจิตกระแสจิตนะครับนั้นพยายามสอนจิตสอนตัวเราอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่มีเราเนะื้อเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้อ่าไปเราจะได้ไม่มาหวงมาห่วงไ ม, ม่ต้องกังวล ร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันนะค่ะอืมนี่ตั้งใจฟังดีนะพยายามท่องให้ได้นะท่องไปทั้งกลับนะค่ะน<ด>ี่โอเคมีอะไรไหมของหนูก็ไม่มีค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามคําพระอาจารย์กลับของคุณอาจารย์มากเจ้าค่ะอ่าธอสาธุเจ้าค่ะไปที่คุณหมอสุทัตนี นมามส ก, การ์ดนพอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีมีคำถามฝากถามจากสามีเจ้าค่ะอ่ามามาขอความเมตตาพระอาจารย์ขอสร้างวิธีปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ที่มีความสนใจอยากนั่งสมาธิโดยวิธีอานาปานสติก็ง่ายๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก ให้ดูไปเรื่อยๆอย่าไปที่จนการจิตจะนิ่งสงบอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปสนใจมือะไรมาโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้เฝ้าดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยให้ลมหายใจเขาหายใจตามปกติของเขามันจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้เฉยๆใช้ ลมหายใจเป็นที่ผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้านั้นเองให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆแล้วใจใจก็จะค่อยๆสงบลงแต่ถ้าไปอยู่กับความคิดอยู่กับสิ่งที่เข้ามาให้เรารู้บางทีได้ยินเสียงก็ไปกับเสียงบางทีเจ็บตรงนั้นก็ไปกับอาการเจ็บถ้าอย่างนี้ก็จะไม่สงบอะไรจะมาปรากฏให้รับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมอย่างเดียวไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ได้ผลมันแสดงว่าสติเรายังไม่ค่อยดีเราก็ต้องฝึกสติให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งให้ฝึกสติให้ดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ทุกเวลานาทีทุกขณะผูกใจไว้กับการกระทําต่างๆของร่างกายไปเรื่อยๆอย่าให้ใจไปที่อื่นให้เฝ้าดูร่างกายไปคอา ม, มานั่งสมาธิก็เฝ้าดูลมปอดไปใจก็จะสงบได้ ก็มีท่านนี้แหละนะการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วมันจะมีความสุขว่าใจอย่งังคป็บหมอเข้าใจเจ้าค่ะเขาอยากทราบวิธีจากท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ อ, อเขาลองนั่งดูสมาธิธแบบดูลมแล้วมีความคิดเข้ามาที่เขาฝากถามว่าอวิธีปฏิบัติกับความคิดเจ้าค่ะไม่ไปสนใจให้ดูอยู่อารมณ์ไปเจ้าค่ะ เวลาเรานั่งดูทีวีเนี่ยใครจะมา ช, ชวนเราคุยเราก็ไม่ไปคุยกับเใครจะมาชวนให้เราไปทำํำนื่องนทำนี่เราก็ไม่ไปเราก็ดูทีวีเขาไปอย่างเดียวง่ายๆเข้าใจไหมขอบใจเจ้าค่ะดูเรามันดูทีวีดูเวลาที่มีพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแข่งขันชิงเอฟเอคัพรืออะไรเงี้ยใจก็จะจดจ่อยอยู่การดูอย่างเดียวนะ แฟนจะมาชวนให้ไปกินข น, นมนก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปบันที่ปวดฉี่ยังไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำเลยกําลังเข้าได้เข้าเข็นนี่นะให้ใจจดจ่ออยู่กับลมไพีอย่างเดียวบางคิดหนาก็อย่าไปตามคิดกัเบเขาไม่เราไปมันก็คิดไปเราก็ดูลงของเราไปขอบคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะโอเคมีข้อเดียวนะเจ้าค่ะ อยู่ๆเขาก็ถามรูกบอกว่ากราบถามท่านพระอาจารย์ให้หน่อยเจ้าค่ะเปิดใจเจ้าคา่ะแล้วผมบอกให้เราไปลองทําดูแล้วเป็นยังไงมามาเล่าให้ฟังหลือมีบัตรต้องลองทำดูแล้วถึงจะรู้ว่ามีจะต้องถามอะไรอีกต่อนะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ขอบคุณค่ะโอเคอะตะวันกลับมาแล้วตะวันลองกดอ่อนมิวส์ดูเนี่ย ครับมัสการประจันครับอ่วันนี้ไปอยู่ที่ไหนเลยถึงต้องมาใช้มือถืออยู่เอ่ออยู่ที่บ้านครับแต่เอ่อเราเอ่อหาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับหาไม่ได้ไหมที่มันหายหรือว่ามันหายไม่ได้เอ่อตอนเราไปเมืองไทยเอ่อพ่อก็แก็บแต่เราไม่รู้ตรงไหนอ่าอันนี้พ่อไปทำงานเหยไม่รู้เลยพ่อไปทำงานครับอ่า ทำไมไม่โทว่าถางพ่อพ่ อ, พ อ, พอคอมเก็บไว้ที่ไหนเอ่อแล้วเออก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันนะอืมแล้วตะวันมาเมืองไทยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับมาบวช ด, ด้วยหรือเปล่าผมก็บวครับันได้ดีวันบวชสิ บ, ส, บสิบวันครับสิบวันอนะ่ะชอบไหมชอบครับชอบอะไรเอ่อ ก็ชอบทมสมาธิส่วนมนึ่งดึงจังกอมใช่ยอันนั้นครับอืมโดยที่วัดป่าของหลวงปู่เซนนะใช่ครับแต่เราก็ไปเจ็ดวันที่วัดพญาตาตร์วัดสาขาวัดสาขาเงียบกว่าเลยวัดสาขาเงียบครับวันหญ่วันหญยีดมีก็มีเกางขางพุทธลูกอยู่ใช่ไหม ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะ <S <S แล้วใช่ค่ะพระอาจารย์อืก็เป็นอุบายของท่านว่าให้ฝึกแยกกันนะคะโยมอยู่ที่วัดป่าหนองแซงส่วนเจ้าตะวันกับคุณมาร์โกให้ไปอยู่ที่วัดป่าหนองวัดวัดป่าปัญญาโลวัด ส, สาขาที่ที่ไหนที่กระสิ น, สนที่กระสินค่ะ<า>มหาสารคามพระอาจ า, ารย์อืมก็ดีการบวชแล้วต้องแยกกันต้องเปิดพิเว้ถ้อยู่ใกลกันเองก็ห่วงกันต้องคอยไปเจอกันดูกัน เรเป็นยังไงได้ผลดีไหมก็มีผลอยู่ครับเพราะว่าอหน้ากุฏิเรามีเอที่เดินจงกรมแล้วตอนคืนผมก็เดินกับพ่ออยู่แล้วมันก็มืดเลยก็เลยก็เป็นเหมือนสังขานก็ให้เ อ, อภาพดูที่ไม่เป็นจริงก็เลยมันเป็นเหมือนว่ามี ปีศาจหรืออะไรข้างหลังต้นไม้ใจเราหรอสังขารเราคิดไปเองใช่ครับบนหลังถ้ามันเห็นมีปีศาจก็ลองเดินเข้าไปหามันดูเลย <c oughs> พุทโธพุทโธเข้าไปเราหายกูขี้ยังบอกพระอาจารย์กห็หายกูขี้ครับกูข้ <c oughs> ก็มีมีเรื่องพระไปอยู่นั่งสมาธิในปา่าช้าแล้วก็เวลานั่งตอนคืน ก็จะยินเสียงแก๊แกล้แกล้กก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอดแรกคิดว่าเป็นผีแต่วก็ความความอยากจะสู้กับความกลัวนี้ก็แบบมันเป็นผีกูจะไปหามึงเลยตั mm ้ง hmm. บังคับใจเดินไปหาเสียงแกลกงพอไปถึงใกล้ใก้ฉายไฟดูเอามากำลังแทะกระดูกมัน mm hmm. ไม่มีเหล่าผีมันใจเราหลอกเราเองอ ผีจริงไม่หลอกพีหลอกไม่จริงถ้าเป็นผีจริงๆเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาไปอยู่ที่สวรรค์อยู่ที่นรกแล้วแต่ที่มาหลอกเรานี้เป็นผีที่ใจเราสร้างขึ้นมาเองนะงั้นตอบไปเลยอยู่ที่ไหนกลักวๆเข้าไปหามันเลยถ้าไม่เที่ยวเป็นผีนะหรือไม่ฉะนั้นก็ถ้าให้ไปก็ทําอยู่กับพุทธโธธรรมสังโกไปให้คิดถึงพุทธโธธรรมโสงโกไป เหงื่อใจก็ใส่อมกแล้วผีก็จะหายไปสมัยตอนเด็กๆแล้วก็เคยไปนอนอยู่ันเดียวที่มันที่มันที่มันมืดนะพอพอมันมืดจะนอนนี่กได้เสียงแกล้แกล้งแกล้งแกล้เราก็อนั้นเอาอย่างเดียวส่วนบนไปเลยไม่ยาวไปเลยสวยไปสักพักึมันก็หายเสียงมันก็หายไป ต้องมีอะไรบ็นที่ยึดเหนี่ยวอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งกลัวใหญ่นูหมพอเริ่มกลัวอะไรให้คิดถึงพุโ ท, ทโธธรโมูสัมโคไปก็แล้วแล้วถ้ า, ถ, าถ้าจะกล้าก็เดินเข้าไปหาเสียงเลยดูที่มันเป็นอะไรกันแน่พิสูจน์ดูดีไหมใช่ครับแล้วอยู่กับคุณพ่อในกุิเดียวกันแล้วลก็รังกุิ นายกูเดียวกันครับเดียวกันนอะยังไม่กลายอยู่คนเดียว น, นะอืมคิดว่ากับก็ใช่ไเดี๋ยวครั้งหน้าแย่งเนาะค้างหน้นาพยายาม <laughs> <laughs> มีอะไรไหมคุณแม่เคุณอน้องตะวันเขามีคําถามจะถามพาาระจางนะครับาาามามาพงมีสองคำถามครับเออ คำถามที่หนึ่งเป็นปิติแปลว่าอะไรครับแล้วมันเป็นอะไรปิติคือควารู้สึกมีความดีใจปลื้มใจเวลาหนูได้รางวันลนะหรือเวลาใครก็ชมหนูหนูก็มีความรู้สึกปลื้มใจแฮปปี้บางทีก็น้ำตาไหลบางทีก็ขนลุกสู้นี่ปิติเขจาใจไหมเข้าใจครับ นั่งสมาธิบางทีจิตก็จะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาการปิติขึ้นมาใช่ครับอ่อีกข้อหนึ่งคืออะไรเออเป็นเรารู้เอร่อรู้ทันเรารู้ทั น, ท น, รรทนกิเลสก่อนได้เออได้ยังไงครับอ่าแล้วก็ต้องมีสติก็ต้องฝึกสติให้มากเพื่อม่ให้เพื่อให้เรา ดูใจเราได้ส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูใจเพราะเราไปตามก่เลส ต, ตามความคิดแต่ถ้าเรามีสติแล้วเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะทันความคิดของเราพอมันคิดไปแน้วทางกิเลสเราก็รู้ว่าอ๋อนี่กําลังโลภแล้วกำลังอยากได้ขนมอ ย, ายา่างแยหรือตอนถือศีลแปดนี้ตอนบวชเองเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นใยากจะ ก, กินข้าวขึ้นมาเนี่ย ถ้าไม่สติก็จะรู้ขึ้นมาอ้อนี่ความคิดอยากจะกินข้าวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องหยุดมันอย่าไปให้มันคิดยิ่งคิดมันยิ่งหิวใหญ่เข้าใจไหมยังต้องฝ <Okay. S 1> ึกสติพยายามฝึกสติให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่เฉยเฉยให้อยู่นิ่งๆให้ใจอยู่นิ่ง ๆ, ๆ, ๆถ้าพอใจเริ่มคิดไปทางทีเด็กก็จะเห็นทันที เข้าใจนะเราพสติไปๆแต่ไ ป, ไปแต่เวลาตะวันจะคิดอะไรเมันโกรธแม่แล้วอะไรขึ้นมามันตะวันจะเห็นขึ้นมาทันทีแล้วตอนนี้ตะวันจะโกรธแม่นะอเสียสใจโดนแม่ว่าเสียใจถ้ามีสติก็จะรู้รู้ทันแล้วตอนนี้ใจเรากำลังเป็นยัง ไ, ไ, ไงถ้าไม่มีสติใจก็จะมองคุณแม่ว่าคุณแม่คิดเสียใจเอาคุณแม่ไป ใจไม่อยู่กับตัวเองใจไปอยู่กับคุณแม่ไปอยู่กับคนนัง่งคนนี้แต่กิเลสมันอยู่ในใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราทิ่ไปทางโลกทางโกรธทางหลงถ้ามีมสติ<ม>ล<ะ>แล้วก็อย่าดึงใจให้เข้าข้างในแม่ออกไปข้างนอกเข้ า, ใ, า, ขาใจนะก็ใจกับแต่ลนะความฝัน อืมออคั้งกครั้งอีกกครั้งหนึ่งครั้งหน้าเลยครั้งพรงนี้เหรออืมเขาเขามีความฝันมาถามเขาว่าเขาจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาละและเดี๋ยวเข้ามาสู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังขอป็นพรุ่งนี้พรุนี้อ่าทีละเอ้ยวิของสัปดาห์หน้าสัปดนาสัดาพูดหน้าจ้าค่ะพระอาจารย์พพุหน้าปลี่นเทอมเพราะจริงๆแล้วเาเปลี่ยนไปไปมัธยมใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วปกติอ่าถ้าเรียนตอน ปฐมเนี่ยวันพูดเขาจะเขาจะว่างครึ่งวันอะแล้ววที่นี่มันก็จะเป็นประมาณสักใบสองใบสามก็จะเข้ามาได้ใช่มไหมคะพระอาจารย์ทีนี้ไปอยู่มัธยมมันจะเรียนเต็มวันแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เลยพลาดวันนี้ถึงจะได้มีโอกาสเข้ามาไลฟ์พระอาจารย์นะคะอืมก็ไม่เป็นไรถ้าเข้ามาได้ก็เข้ามาถ้าไม่ได้ก็ต้องไปทําหน้าที่ของเราก่อนอ่าอืมก็ไปสอบไห้แล้วหรออืมแล้วถ้าเกิดหนูตายทําไงหนูก็ไม่ถามพระอาจารย์ถ้าหนูตายขึ้นมาแล้วสอบได้หนูก็ไม่ได้ถามพระอาจารย์นี่ จะถาแบบเราแบบไม่เปลนไรอ่าโอเคงักก้นเราไปสัปดาห์หนะ้าถามพระอาจารย์โอเ ค, เอคมมผมเดียก็คือโยมก็ไม่ได้มีคําถามนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เร่งเร่งปฏิบัติเพราะว่าออย่างโยมโยมก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าเหมือนจะจะรู้จุด ต, ตัวเองนะคะพระอาจารย์ว่าอาควรจะใช้ปฏิบัติยังไงถึงจะถึงจะทําสมาธิได้ดีแล้วก็ควรจะใช้ หลักการพิจณายัางไงเพื่อที่จะรักความที่มั่นถือมั่นโดยจะเน้นในตัวของการรักร่างกายนะคะอาจารย์ค่ะรักษากายทิฏฐิก่อนค่ะมองดูอาการ32ร่างกายมีแค่อาการ32 ต, ตัวตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีอะไรเจ้าค่าาาาาาอะาอาจารย์อย่างตอนทำสมาธินิยมจะเริ่มจากเท่าที่สังเกตดูวิธีนี้มันมันมันจ ะ, ม, นจะมันจะเหมาะกับโยมที่สุดก็คือโยมจะเริ่ม อสุภะก่อนพวกดูร่างกายความสุขโปรกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็จากนั้นโยงก็กําหนดจิตแผ่เมตตาไปให้การทิพ ย, ย์กยับนาะจ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าทว่าทําแบบเนี้ยรู้สึกว่าใจมันมันสงบมันเยือกเย็นแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันมันมีความสุขมากนาะจ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วจิตมันก็นิ่งได้ไ ด, ได้ได้เร็วขึ้นกว่าจากที่ไม่ได้กําหนดจิตแผ่เมตตานะคะพระอาจารย์ก็ดีบางทีมัม้ต้องมีอาวิธีเฉพาะของเรา บางคนบางทีเงินต้นบางทีก็ต้องมีมีมีไหว้ครูมีอะไรบางคนก็สวดมนต์พราะพุทธธรรมประสงค์อะไรไปสุดแท้แต่ก็ดีนะอะไรที่ทำให้ใจเรานิ่งทำให้ใจเราหายฟุ้งซ่านแล้วให้เราเข้าสมาธิได้ก็ถือว่าใช้ได้ค <ST>. ่ะแล้วก็เวลาทำสมาธิโ ย, ยมก็ก็คือไม่เลือกไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะคะพระอาจารย์ อย่างรักสุดตอนนั่เครื่องบินใช่ไหมคะพอาจารย์มันมีเด็กเด็กกับเด็กเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์คือโยมก็ว่าอยากน่ารักอยากจะเข้าไปกอดอนไรแบบอยากจะเข้าไปจับตัวอะไรเวลาจะนุ่มนิ่มอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ทีนี้โยมก็เหมือนได้สติแล้วก็เอ๊เราอยากจะไปจับไปสัตว์เด็กเหรอแล้วก็พิจารณาว่าคือร่างกายของเด็กถ้าสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่แก้วนึงอย่างเงี้คยค่ะพอาจารย์โยมเมื่อ้เออถ้าเรามีน้ำอยู่แก้วนึงนะเป็นน้ำที่สะอาด แล้วเอามือของเด็กไปจุ่มในน้ําอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าแล้วโยมอยากจะดื่มน้ําอันนั้นไหมโยมก็ว่าโยมก็คงจะไม่อยากดื่มน้ํานั้นนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเด็กมือเด็กสกรปรกเพราะว่ามันมีแบบทั้งเหงื่อใครแล้วก็อะไรที่มันออกมาตามดูขุ้นขนอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือตอนนั้นคือพอคิดอย่างนั้นอ่ะพอรู้สึกมันมันมันสลดสังเวชขึ้นมาค่ะพระอาจารย์เหมือนจิตมันมันเห็นความจริงว่า เอ่อสติไม่ทันหรือหรือปัญญาไม่ทันไม่มีสมาธิเนี่ยคือมันก็จะไปตามตามความหลงในในร่างกายในสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอมันดึงสติกลับมาได้ใช้กายคตาสติหรืออสุภะเนี่ยคือใจมันก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันเป็นความจริงมันคือร่างกายมันสขกักรกค่ะพระอาจารย์ค่ะมันก็แวบขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกสลดสั่งเวทใจค่ะพระอาจารย์พอคิดได้อย่างนั้นนะคะก็พยายามทําไปเรื่อยๆบางทีเห็นเห็นคนอยู่ข้างหน้าเห็นผมมันเห็นด้านหลังเห็็็นนผมมเเเ้าาาแลวกกพิจรณื่อีห ผ่านไปผ่านมาอย่างเนี้ยเราก็พิจารณาค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็มีความสุขระวังอย่าไปพิจารณาจนตั้งเกลียดชังทุกคนไปหมดนะว่าอาจารย์ไม่ไม่ๆยังไม่ถึงเพราะว่าคือมันมันสลดสั่งเด่นแล้วก็มีสําหรับมีไว้สําหรับสู้กับกิเลสเวลาไปหลงไว้รักเขาไปชอบเขาค่ะก็ก็คุณมาโกก็นั่งข้างโยมใช่ไหยคะพรตอนแรกโยมก็ไม่อยากไม่อยากจะไปสัมผัสรักกัเพราคิดพอมันพิจารถึงเด็กแล้วมันก็จะจะไปถึงคนอื่นด้วย แต่พอมันใครายตัวเราก็เขาก็ไม่จับมือเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันก็ไม่ต่อเนื่องยมก็เพื่อเกี๋ยวต้องทําให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ต้องเข้าใจว่าการพิจารณาอสุภะนี่เพื่อกําจัดความลักไข้ ย, ยินดีในร่างกายของคนอื่นนะไม่ใช่ไปพิจารณาตอนที่ไม่มีความลักใข้แล้วกลายไปการเกลียดชังไปเลยก็ได้ค่ะมันต้องมีเวลามันเหมือนกินยา อย่ากินยาตอนที่มันไม่ต้องร่างกายไม่เป็นอะไรต้องกินตอนที่มันไม่สบายเราให้กินค่ะอย่างคือเราสู้เราเดินไปเราเห็นคนนี้เออคนนะนี้หน้าตาน่ารักจังเลยแล้วก็พอใจในลูกก็ก็กำหนดอสุภกะกายคตาสติขึ้นมาพิจารณาแบบนี้อาจารย์คือมันไม่มันไม่ได้เป็นความค่าคือเราไม่ได้อยากจะไปแบบแบบแบบฉัชนชู้สาวแบบนั้นคือมันเป็นแค่ความคล้ายๆกับพอใจที่ล่าใช่อันนี้คือโยโย่ก็ พยายามจัดการแล้วโยมไม่ไม่เอาเก็บไว้ในใจโยมก็ต้องต้องทำให้มันให้มันให้มันให้อารมณ์ระว่างจังมีตัวเูกที่ปอดเข้าไปใช่ค่ะก็พยายามคือมันนิดหน่อยอะโยมก็โยมพยายามไม่ปล่อยไว้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีค่ะพยายามเห็นน่างกายสวยงามเท่านก็ต้องนึกถึงปอดน่างกายที่ไม่สวยงามทันที ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของแฟนยมก็ทํานะคะแต่เหมือนมันมีกิเลสที่จะเข้ามาให้หลอกล่อเราว่าไม่ผิดหลอกเพราะว่าเรามีสิทธิ์ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขาเป็นสามีเรามันก็ตรงเนี้ยมันจะมีแวบเข้ามาเหมือ น, นกับตัวมารที่มันจะมาคอยหลอกเราว่าไม่อยากจะให้เราฝึกอสุภะกับแฟนเราอย่างเงี้ยใช่คระอาจารมันมี <X> มันมีเพราะมา<ง>เสียงในหัวก็ควรอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกก็เดี๋ยวต่อมาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อืม มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ดีนะคะพระอาจารย์เพราะว่ามันก็ตัวไข่ตัวมันอยู่แล้วะค่ะพระอาจาราย์มันก็ควรสมอเพราะเขาต้องไปด้วยกันถ้าพราอมที่จะแ ย, ก, ยกกันก็โอเคก็นอาย์อยู่มาดีเพราะว่ามันมันมันมีความสุขถ้าอย่างนั้นอ่ะโ่งยิ่งเร็วยิง่งดีลๆๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างนั้นอ่ะยิ่งยิ่งดีเลยะค่ะพระอาจารย์อยู่มาอืมค่ะเขาก็ไฟเขียวอยู่ะค่ะพระอาจารย์อ่ดีถ้าทําถ้าอยากถ้าอยากจะอยู่คนเดียวก็พิจารณาไปเลยค่ะพิจารณาไป แต่ถ า, ายังรักยังรักครอบครัวอยู่ยังอยากจะรักให้ให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอยู่ก็อยา่าเพิ่มไวพิจารณาตอนนี้อ๋อเขาอยู่กันได้สองคนเพราะว่าตอนที่ไปเยี่ยมพระอาจารย์ใช่ไหมคะพระอาจารย์กลับมาที่นี่ปุ๊บแล้วก็อ่าสับ ป, ประมาณเนี่ยอ่าสัปดาห์ที่แล้วหรือไงโ ย, ยมก็กลับเพิ่งกลับไปเมืองไทยเดือนนี้มาค่ะคนเดียวพอดีมีธุระต้องกลับไปคนเดียวเร่งด่วนนะคะเขาก็อยู่กันได้สองคนนะคะพระอาจารย์ <laughs> ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้จ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะ แล้วพระอาจารย์สักครัแล้วทีนี้เรื่องไอ้ตัวแบบว่าอบางทีเราเห็นเกลียของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางที่คนเห็นกับตัวมากๆยงก็รู้สึกวิมันกลังเกลียกิเลสเขาอะค่ะแต่ว่ามันดังเกลียร่างกายเขาคือกำลังเกลียกิเลสเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันจะมีความรู้ใช่ค่ะมันแล้วโยมจะต้องทำยนีไงคือยงก็แผ่เมตตาไปนะคะแต่ว่าคือเวลาที่ตําหวจจิตแผ่เมตตาเนี่ยเราอยู่ของเราอะแล้วเราตํารวจจิตแผ่เมตตาไปคือมันก็มีความสุขคือเหมือนว่าเราเราไม่โกรธเขาอ่ะแต่พอเราได้ยิน อ่าได้เห็นการการะทําของเขาหรือได้ยินอะไรที่เขาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทาไมคุณคุณคุณคุ ณ, ค ณ, คณนิสัยเห็นกับตัวแบบนี้นะคือเราไปตำหนิเขาในใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันอันเนี้ยเราอยากโยมยังอุเบกขาไม่ได้พระอาจารย์มีคําแนะนําให้โยมไหมค่ะพระอาจารย์เออหมอครับมันเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเป็นนิสัยของเขาที่เขาสะสมมาอือเ<อ>ขาเป็นแบบนี้เราอย่าไปรังเกตเขาแต่ให้เรารู้ทันเขาแล้วเราอย่าเราอย่าไป ใกล้ชิดเขาถ้าเขาเป็นเป็นเป็นภัยกัเราเราก็อย่าไปยุ่งเขาทั้งนั้นโดยเขาจะเป็นยังไงนี่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้โดยเขาเป็นส้มนี่เราจะอยากให้เขาเป็นมะละกอเป็นไปไม่ได้ปล่อยเขาเป็นส้มไปนอกจากว่าถ้าเขามาปรึกษาเราแล้วเผาความเห็นของเราว่าตัวเขาเป็นยังไงมันจะปรับปรุงยังไงก็อาจจะพูดได้แต่ไม่เช่นนั้นก็อย่าไปยุ่งของเขาเลยทุกคนมีกิเลส มากมีน้อยไม่เท่ากันแล้วดูดูกิเลสของเราดีกว่าลองลเกลียดกิเลสของเราดีกว่าโยมก็เกียดกิเลสแล้วมันก็เลยพลอยไปเกลียดกิเลสคนอื่นด้วยการกิเลสคนอื่นเราไปทําอะไรไม่เขาไม่ได้เราไปทำอะไรเขาไม่ได้อาจจะกลายเป็นเรื่องเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราไปยุ่งกับกิเลสเขาเดี๋ยวไปบอกวเธอนี่ไม่ดีโรคเหลือเกินเนี่ยเห็นแก่ตัวเหลือเกินเดี๋ยวเขาจะโกรธเรากลายเป็นเรื่องเราขึ้นมา แล้วพระอาจารย์แต่คือโยมก็เราเห็นโยมเห็นโยมก็นิ่งๆนะจ๊ะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ไอ้ตอนที่เราไปคิดตําหนิใครก็แล้วแต่เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนที่โยมไม่ชอบอยู่สิบคนตอนเนี้ยเหลือคนเนี้อยู่คนเดียวจ๊ะค่ะพระอาจารย์โยมมันติดแน่นเหลือเกินยังยังทําใจไม่ได้แต่พอเราอยู่ของเราคนเดียวเราแผ่เมตตาให้เขามันก็รู้สึกปัทนายเขามีความสุขอยู่นะคะแต่พอได้ยินได้เห็นอะไรแบบมันก็มันก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดเอ๊ะหรือมันเป็นตัวอัตราของโยมหรือเปล่าว่าการที่โยมไปตําหนาี่่ยก็แปลว โยมาดีแต่เขาไม่ดีมันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าโยมนี่ยกหาตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ทำเราเน้นน่ะเริงต้องยตอนปทนสารว่าเดี๋ยวไปทำเนียบคนอื่นเลยตําเนีตัวเราดีกว่าเราวิเศษนั้นเหรอใช่ใช่ที่ข้าบอกพ้องแล้วเหรอใช่ค่ะพระอาจารย์โยมก็พยายามด่าตัวเองอย่างเนี้บางทีมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันมันก็พอเหมือนคัาว่าพอพอที่จะละไปได้ครั้งหนึ่งแต่พอได้ยินเหตุอีกครั้งมันก็มาอีกอย่างเนี้โยมก็ไม่ขาดต้องการจะตําหนียบใครก็คิดถึงตัวเราก่อน เราไม่มีที่อะไรที่ต้องตํำหนิล้วเลยใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าโยมใจยอมมันก็ยังไม่ไม่สะอาดบริสุทธิ์่ะหาพระชานก็พยายามเอาตรงนี้เอาให้ได้แบบพยายามไปตาหนิเขาเราเราได้เลาจากการตําหนิเขาเราก็ไม่ได้อะไรคื่อมาตําหนิตัวเราเองดีกว่ามันก็เป็นทุกข์ด้วยจ้ะค่ะพระอาจารเวลาอารมณ์มันแบบมันไปเพ่งโทษเขาอย่างนี้พระชานใช่ฮะเขามาใส่หัวทำไมเขาไม่ใส่หัวทาไมได้ค่ะพระชาน อเอาหัวในเอาเอาในหัวแล้วออกไปไม่ดีกว่าเลย <S <S <S ใช่ค่ะอาารย์ยมยมก็งเกียดกิเลสตัวเองเนี่ยทําไมมันยังมันต้องบริสมันต้องให้ได้สิมันต้องสะอาดมันต้องสะอาดมันต้องสะอาดก็ฝสติให้เร็วขึ้น <S <S 1> <S 1> ให้เร็วขึ้นนะยานทุกครั้งที่จะไปทำเหนี่ยขก็หยุดมันแล้วบอกว่าหยุดก่อนที่จะหยุดก่อนที่คําคําพูดคําตหนิมันจะคิดมันจะออกมาเป็นคำใช่ไหมค่ะมันคืแบบจะเห็นมันจะมาแล้วใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เลยอ๋องั้นแสดงว่ายังยังสติยังไม่พอนะคะอาจารย์ ทำนิตตัวเราด้กว่าอย่าไปทํานีตเขาเละแก้แก้ความผิดของเราดีกว่าไปแก้ความผิดของค น, นงอื่เจียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็เรื่องความคาดหวังโยมก็ต้องด้วยค่ะพระอาจารย์เหมือนคาดหวังจะให้เขาเป็นคนดีอย่างเงี้งงยทั้ง่วนเป็นไปไม่ได้มีินโย ม, ม ก, ยก็คิดว่าคุณช่วยมีข้อดีสักข้อหนึ่งได้ไหมให้เราไ ด, ใาได้ให้เราได้อภัยง่ายๆขึ้น ตลกมากค่ะพระอาจารย์ข mm hmm. ายอมก็เดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวจะต้องไปจัดการกิเลสตัวเองค่ะพระอาจารย์อืตัวเราเองเรายังทําตัวเราให้ดีไม่ได้แล้วเรไปอยากให้เขาดีใช่ค่ะเราทำมาให้คนอื่นไม่ได้เขาต้องทำของตัวเอง mm hmm. ใช่ค่ะพระอาจารย์กรรมทุกคนก็ต้องมีกรรมเป็นของของตนนะคะพระอาจารย์สรุปลงที่กรรมเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนไป เขาเป็นอย่างนี้เพราะเขาทาอย่างงี้มาในอดีตเขาถึงเป็นอย่างนี้ยมก็มาคิดดูว่าเมื่อก่อนโยมเห็นกับตัวเมื่อก่อนโยมก็เป็นแต่ว่ามันอาจจะน้อยลงมันก็ยมก็พยายามคิดนะคะพาจารย์อย่างเช่นว่าสมมติเราเคยสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอ่าแล้วเรามาเลิกสูบพอไปเห็นคนอื่นสูบปุ๊บเราก็ไปตําหนิเขาว่าไปสูบทําไม เราคิดตัวเก็เคยคืบบอเมื่อก่อนอะอย่างนี้พราจารย์ก็ว่าอุ้ยทําทไมทําไมฉันถึงได้เร็วขนาดนั้นไปตําหนิเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นกิเลส ข, ขอาไม่ชอบตําหนิคนอื่นไม่ชอบตําตหนิตัวเองอืมามเพายรของความเพียของตัวเองลองถ้าภูเขาเก่าเห็นว่าเป็นผงทุลีส่วยความผิดของคนอื่นแค่ถงทุลีก็กลายเป็นภูเขาขึ้นมามจะขาดพระอาจารย์ถ้าเป็นความเพียรเร า, เาไม่เป็นไรเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนิดหน่อย แต่ถ้าเป็นความคิดของหนี่งมันเริ่มกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาออืเจ้าค่ะอันนี้นิสัยนสัยของเกเรของเราเป็นอย่างนั้นทุกคนเจ้าค่ะแม่มากน้อยต่างกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่อืมอยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเห็นโทษของของเราหรือไม่การเป็นตำหนิเขามันเป็นมันไม่เป็นคุณประโยชน์อะไรกับเรามันเป็นโทษกับเรามากกว่าเพราะว่าตอนที่เราตำหนินี่คือใจเราคือเลวแล้วใช่ไหมเราไปใจเราไปเลวแล้วตอนนั้นคือเราต้องตำหนิ ตำหนิใจที่ที่มันไปไปคิดจะตำหนิตรงนี้เพราะตอนนั้นคือใจมันก็มันก็เลวแล้วอะ่ะเพราะว่าไปไปไปว่าเขาอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นใจที่เป็นอนัุสตเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใชไม่ให้เพ่งเพ่งโทษพูดให้เพ่งโทษที่ตัวเราเพราะฉะนั้นตอนที่คิดจะเพง่งพระอาจารย์บอกว่าต้องต้องอย่าให้ออกมาเป็นคําคําพูดว่าก็อให้มันจบพิสติให้ทันแล้วก็จบแค่ตรงนั้นเลยไม่ไปต่อแล้วก็แล้วแต่ถ้ามันมาเพหยุดมันได้ก็ต้องหยุดมันให้แล้วก็ บอกว่าไม่ดีไม่ดีอยําทำอยากคิดอย่างนี้อทำเนี่ตัวเราดีกว่าถ้าอยากทำเนี่ยใครตําหนิ่ตัวเราให้ได้ก่อนตัวเราไม่มีอะไรที่เราทำเนี่ยแล้วแม่แต่มันยากนะคะพระอาจารย์แต่ต้องทําให้ได้ค่ะพระอาจารย์ก็นั่นแหละมันก็ทุกอย่างมันยากแต่พอฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นมาเองต้องทำสมาธิเยอะๆจะทำสติเยอะๆ แล้เวลาจิดมันไปในทางของจิตเดชแล้วก็จะรู้ทันมันถ้าเรื่องการถ้าไปเรื่องการเนี่ยโยมจะรู้ทันง่ายกว่าเรื่องถ้าไปทางโทสะค่ะพระอาจารย์โทว์สัจจิดชของโยมจะแรงกว่าตัวตัวตัวตัวกรรมหลักค่เจ้าค่ะพระาอาจารย์มันก็จะเป็นยางเหนียวขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้อ ง, ต, องต้องเอาสติให้มันให้มันมากกว่าเดิมค่ะพระาอาจารย์อสติอปัญญาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานัตตา โยมคงต้องตั้งปณิธานเลยค่ะว่า <rene> ฉ hmm, ันจะไม่ตําหนิใครโยมตั้งปณิธานแล้วค่ะลูกโยมว่าต้องมีเป้าหมายอันหนึ่งจะได้มีมีโจทย์เราจะได้ทําโจทย์นั้นให้ได้ถ้าตําหนิก็ต้องตาหนิตัวเองอย่างเดียวอย่าไปทําที่คนอื่นนอกจากถ้าลูกต้องตําหนิเขาทําตามหน้าที่ก็ตําหนิได้สอนเขาอย่างนี้ได้ถ้ามีเหตุมีผลเจ้าค่ะ ไม เ, เดี๋ยวไม่ตําหนิตะวันเลยปล่อยมันเลยมันจะเป็นยังไงก็เรืเ่องของมันเมื่อเช้ายอมก็ตำหนิแล้วทีนี้ตําหนิแบบตําหนิแบบไม่มีอุเบกขาพอเขาไม่ฟังปุ๊บมันก็อารมณ์มันก็เลยขึ้นขึ้นมาโยมตําหนิแบบตำหนิแบบหวังผลอย่างเงี้พยพระอาจารย์โยม<ช>ต้องตําหนิลูกแบบไม่หวังผลตอบแทนเพราะว่ามันจะ<ช>ไม่งั้นมันจะมีความโกรธขึ้นมาตําหนิแบบเป็นเลคเชอร์เป็นคนสอนสอน <ไป S 2> อต่อืช่ตำหนิแบบหน้าที่อเ <laughs> จ้าค่ะพระอาจารย์ แล้วพระอาจารย์คะไอตัวตําหนิคนอื่นมันเป็นพยาบาทใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็อย่างงั้นมันมันเป็นความไม่พอใจมันมันกอดเกลียดเขาไม่ชอบเขาอือมันเป็นกิเลสละเอียดไหมคะพระอาจารย์ตรงนี้ยค่ะจะละเอียดก็มันจะไม่ต้องไปสนใจมันละเอียดไม่ละเอียดก็ ว่าเราจับมันให้ได้แล้วกําจัดมันดีกว่าไม่เราไปวิเคราะห์ไม่ไมพอใจกัไม่พอใจคือไม่ให้มันอยู่กับเรานานที่สุดนะคะพระอาจารย์แล้วก็เยวก็ลัลัความที่มันถึงมั่นในกายควบไปด้วยสิคะพระอาจารย์ให้มหมใจเราก็ไม่มีอุเบกขาด้วยอาจเรายังมีรักชังอยู่เห็นเห็นเห็นบางสิ่งที่รักเขารักผมดีใจอินดีเขาเห็นสิ่งนี้กอดที่ชังเขาไปกอดเขาเกลียดเขาขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาแล้วมันจะเป็นทางกลางเฉย อื่ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของโยมใช่ไหะพระอาจารย์เอพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้เยอะด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ความคิดทางปัญญามันช่วยไม่ได้ตอนนี้ถ้าจิตยังไม่มีอุบเบกขา ค, คิดยังไงมันก็ยังชังอยู่นั่นนะคิดยังไงมันก็ยังรักอยู่นั่นนะต้างฝึกสมาธิให้จิตมันเข้าไปใน จ, จุดที่ไม่มีรักมีชังถึงจียกว่าเป็นอย่างนี้เองอืม พระอาจารย์แล้วตอนทําสมาธิเนี่ยยมเอาตัวกําหนดแผ่เมตตามาช่วรู้สึกว่ามันเยือกเย็นมากมันมันปฏิสุขแต่มันยังไม่ไม่ไม่สงบจากอารมณ์มันไม่สงบมันมันต้องเพ่งต้เลยไปอีกมันต้องมีอารมณ์เดียวต้องดูลมอย่างเดียวแล้วพุทโธอย่างเดียวอืมแต่ลมมันก็จางๆไปนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่ถึงกับแยกร้อยเอร์เซ็นอย่างนี้ค่ะก็เดูนเรื่อยเไปเรื่อยเดิไปเรื่อย มีความสุขไหมมีความสุขมากจังป่ะพระอาจารย์เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมเจ้าค่ะยังไม่เป็นอุเบกขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าไปทั้งจุดอุเบกขาให้ได้เจ้าค่ะแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นนิสัยของเราขึ้นมาต่อไปแล้ว่าเห็นอะไรแล้วก็เฉยเฉยเลยไม่ใช่เรื่องของเรเรื่องของคนอื่นก็ใช่เมตตาต้องมีอุเบกขาด้วยไม่งั้นนี่แย่เลยอือค่ะอือม เจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเจ้าค่ะเพราะฉพาะว่าคิดว่าจงคุยนานแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวเดียวเห็นว่ามานานไม่ได้เข้ามานานแล้วเป็นเดือนอ๋อเป็นเดือนหลายเดือนเลยเจ้า่ะพอาจารย์ตั้งแต่เดือนทิงข่าวแล้วค่ะสองสมเดือนแล้วค่ะโอเคเจ้าค่ะพอาจารย์ไว้ว่าเลยใหม่นะค่ะพระอาจารย์สุขาท่านต่อไปคือนางอ้อมนางอ้อมจากบวิน ไปยังไงไอยู่บนเขามาแล้วยังน้ันสกัดค่ะไปแล้วค่ะเป็นยังไงคราวนี้มีอะไรมาเล่าไหมผ่าอาจารย์ให้ทดสอบความกลัวใช่ไหมคะอ่าก็เฉยๆค่ะไม่กลัวเฉยๆเลยปกติเขาอยู่ในห้องเอ้ยเดินออกมาอยู่ค่ะผอาจารย์ค่ะก็ปิดไปอยู่แล้วก็เดินก็ปกติค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ออกมาไกลไหม ไม่ได้ลงมาค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันชื้นมันชื้นแล้วตัวที่เป็นหนอนตัวดําๆมันเยอะมากเดี๋ยวไปเหยียบมันอแต่ว่าทดลองก็มีข้ออ้างดีเป็นกันนะอะไรนะคะก็มีข้ออ้างดีเป็นกันพระอาจารย์มันเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องไปมันจะทํำไงมันก็ต้องไปก็ก็คงต้องไปค่ะถ้ามีความจําเป็นอืมมันยังไม่กล้าไปมันก็อ้าง เคยเดินแล้วค่ะลองเดินไปสักสักระยะหนึ่งดูไปใายไปออกไปเดินไปกันไกลอย่างปกติหน่อยตอนที่ฝึกใหม่ๆเดินไปถึงที่จอดรถก็ได้เดินกลับมาก็ตอนที่ไปใหม่ๆก็เดินแล้วค่ะลองเคยเดินหมดแล้วแล้วไม่เคยเคยทําทุกรูปแบบแล้วค่ะอื ไม่ไม่ไม่ไมซ้ำดูไม่พิสูจน์ดูต้องแบบให้ฝนไม่ตกก่อนกิเลเม็นฉลาดนะเออเคยทําแล้วขอถ้ามันทามันไม่ได้ต้องไิสูจน์ไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆให้มันแน่ใจระยะทางมันเครื่องไิสูจน์มาเวลามันเครื่องไปสูจน์คนเนย จริงๆเป้าหมายคืออยากไปเพิ่มกำลังของเบรกอะค่ะพ่อจิงตัวอุเบกขาโอเคงั้นก็เป็นเป็นเป็นเป็นประเด็นไปบแต่ว่าตัวนั้นเราก็ทดลองไปด้วยค่ะอ่ะก็ได้คู่กันค่ะโอเคน่าจะไปเมื่อไหร่อีกปีหน้าเลยอาจจะเป็นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวคงต้อง ต้องดูกันก่อนคะ่ะว่าอาจารย์<ต> <c oughs> ช่วงที่ไปอยู่มีมีคนอื่นอยู่เยอะไหมช่วงนั้นเห็นข้างกุฏิมีอยู่กุฏิหนึ่งอะค่ะมีแค่สองสองมุเตห์เห็นแต่ว่ามุตหไม่เห็นใครบางทีคือเขาไม่เปิดไฟอย่างเงี้ยก็จะไม่ทราบค่ะพระอาจารย์เคยไปแล้วบางทีมีคนอยู่แต่เขาไม่เปิดไฟหรือไม่ออกมาเดินก็จะไม่รู้ หรือบางทีก็อาจจะไม่มีคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นเห็นคนเดียวเนียที่ไปคราวนี้ใช่ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะก็ะเข้ามากล่าวลาอาจารย์ค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะคุณแนนจากคุณนอนน้ค่ะน้อมสกแกนนะะอาจารย์ูไม่มีคำถามสักค่ ะ, คะโอเคองั้นไปที่คุณเอก เชียงรยการร่วมวัการพระอาจารย์ครับม่รครับก็ปฏิบัติอยทุกวันครับพระอาจารย์ครับตามก็ก็มีมีไปแบบช่วงนี้มันมันก็สงบดีครับพระอาจารย์ครับลงหายกายหายตัวเบาองนี้นครับพระอาจารย์ครับเกือทุกวันนะครับ กืบทุกเช้าทุกเย็นนะครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่ใช่จะเปลี่ยนสนามปฏิบัติด้วยนะก็มีอยู่ครับอาจารย์ติดอยูอ่แล้วอาจารย์แต่ช่วงนี้มันจะไปไม่ได้ครับอาจารย์ อ, อครับแต่ก็มีก็ปฏิบัติคือเอรรษานี้ตั้งเป้าในใจว่าจะอยู่กแบบับเวทนาให้ได้ก็ก็ก็อยู่ได้ครับอาจารย์ครับอืมนั่งนั่งไปประมาณสองชั่วโมงประมาณไอช่วงช่วงหลัง ช่วมงครึ่งนะครัอาจารย์มันก็จะเริ่มปวดเริ่มปวดก็อยู่ก็สวดมนต์ไปท้องบทสวดไปก็อยู่ได้พุ๊บอะครับอาจารย์ครับเออให้ไปเจ็บกับมันนะครับไม่ไปยุ่งกับมันนะมันจะเจ็บก็ไปมันเจ็บไปเราก็ทําง่ายๆไปใช่ครับอรช่วงตอนแรกเวทนามันมาหนักหน่อยก็สวดอิติปิโสไปไม่อยู่ครับมันสั้นไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นบทสวดที่มันยาว เมาสวดศิลปัญชอนของสมเด็จพระอาจารย์โตก็อยู่ได้อยู่ครับพระอาจารย์ก็ก็แยกออกมาไม่ไม่เป็นกังบลแบบที่มันเจ็บครับอาจารย์ไปเวลาเราเจ็บไขยได้ปล่อยเราจะได้ไม่ทรมานนะครับทุกวันทุกวันนี้ก็เจ็บอยู่ครับพระอาจารย์เจ็บบ่าเจ็บไหล่เจ็บอะไรก็เจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปครับก็ทำยังไงได้ไม่ได้ทนะานยาทานอะไรนะใช่มันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะเนี่ร้บ ก็ใ<ช>ู่ธรรมนนะโอสถใช้ยาธรรมะโอสนดิการใจ้ทำใจให้เบเป็นโอเบขาวางเฉยไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับอะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันครับครับก็เจริญสติทั้งวันนะครับพระอาจารย์ก็ฟุโฮุทโฮแล้วก็ในช่วงช่วงตอนกลางวันก็ฟังเทศพรอาจารย์ไปเกือบทุกวันนะครับพระอาจารย์ครับ โอเคไม่ได <Okay>. ้เห <altung> ็นหน้านะครับหลายเดือนเหมือนกันนะก็วิวิวิเดียวครับวิวิแค่แล้วไม่ได้เข้าแต่ก็ฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ครับอฟังพระอาจารย์อยู่ข้างนอกอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาก็กลัวว่าคนจะเยอะก็จะไปบัตรทุกวันนะครับไม่ทิ้งครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็ยังมีคนรออยู่ต้องแปดคนเข้ามาไม่ได้เลยอ๋อครับผมกลับได้ครับครับโอเคขอบคุณพระอาจารย์นะครับพรอาจารย์รักษาพระขนนะครับสาถธอครับ ขอบคุณครับไปที่แมรี่แลนด์ดินแดนของคุณแมรี่จการพอาจานย์เจ้าค่ะอัชจ <ไง S 2> ันจาร์ก็หน<ง>ูก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะมีสติมากขึ้นก็เดินจงกรมมากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิได้นานขึ้นนะคะเห<ต>็นการทำให้งานมีสติแล้วนะ ค่ะมันมันบางทีเราก็เผลอลืมไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ว่ามันโ ม, มนจะไปสตินี่เป็นตัวที่คอยควบคุมใจเรได้ใช่ค่ะพ<า>ัด ไ, ไม่มีสติก็เป็นสติแตกสติแตกก็เป็นบ้าเป็นอะไรไปเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พอพอเดินจงกรมสักชั่วโมงหนึ่งแล้วพอนั่งสมาธิมันก็นั่งได้นานนะคะก็นั่งได้สองชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ พรอาจารย์คะหนูขอถามนะคะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอความกลัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรอค ะ, ะคะก็จากความรับตัวไงนับตัวกลัวาตายนับร่างกายนี่แม้ว่าหนูจําได้ว่าตอนหนูเด็กเด็กเลยนะคะเด็กๆ็เหมือนกับอายุไม่ถึงขวบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับคุณแม่พาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งที่สนามหญ้าเสร็จแล้วหนูก็นั่งร้องไห้ในใจหนูว่าจำได้ว่าหนูกลัวแม่ทิ้งเพราะว่าเราตัวเล็ก แล้วพึ่งแม่เขาจะถ่ายรูปเพราะก็คือเดินถอยหลังออกไปแล้วปล่อยเรานั่งการสนาม<แ>ยากเราเราเราอย่างพึ่งตัว เ, เองไม่ได้เราก็ยังไม่รู้จะทำไง ia, ถ้าไม่มีแม่ให้คอยคอยดูแ ล, แลเราแม้<า>ว่าวตัวไม่ได้มีความรู้เรื่องธรรมะอะไรอย่างนี้ก็มัน <camp> มีสัญชาตญาณมันกิเลสไงความวิชาโมหะความหลงรับตัวกลัวตายนั่น ซึ่งมันก็คือเกิดมาจากการสะสมกันมาหลายภูมหลายชาติแม้ว่าเรายังเล็กเราก็ไม่รู้ตัวงั้นใช่ไหมคะใช่มันเป็นสัญชาตว์แต่ยังของของสัตว์ของของสัตว์โลกที่ยังไมีกิดเลสอยู่นักรักตัวกลัวตายค่ะค่ะกลัวทุกข์ยากลาบากกลัวอดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆคือคุยง่ายๆคือกลัวความทุกข์รักความสุขพื้นฐานก็อยู่ตรงนั้นนะอย่างนี้คนที่ ได้มามากๆแล้วไปเกิดพบชาติใหม่เขาก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรตรงนี้เลยเขาก็จะมีแต่อุเบกขาแล้วก็นั่งเฉยๆอย่างนี้เหรอ ะ, ะถ้าเป็น<ม>พระโสดาบันก็จะไม่กลัว<ม>อยู่คนเดียวก็ไม่กลัวลว่าไม่กลัวตายอยูแล้วค่ะท่ันก็ต้องปฏิบัติต่อไปครัาอาจารย์อย่งอีกไกลอย่งอีกไกลนะ <laughs> ต้องต่อเนื่องก่อนนะคะต้องทําให้ต่อเนื่องให้ได้ก่อนนะคะเพ่อพยายามอ<ม>ยู่แบบ ทุกอย่างลาบากบ้างเนี่ยทุกคนอยากจะอยู่แบบสุขอย่างสบายกันค่ะ <c oughs> การไปอยู่วัดก็เลยการไปฝึกอยู่แบบทุกอย่างลาบากเนะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมาคอยรับรับประเคนสนองความสุขให้กับเราอย่ตามวัดก็มีแต่ของเบสิกเบสิกท่านั้นเองของพื้นฐานอื <c oughs> <c oughs> แต่ของเครื่องอานวยความสุขอย่างเงินไม่มีค่ะแต่พอตั้ง เข้ามาฟังธรรมกับพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าความต้องการของตัวเองมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ใช่ธรรมะก็จะช่วยกล่อมใจเราให้ให้เรามีความมาั่งอยสันโดษเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะ บ, บางทีการงานอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทําเท่าที่จําเป็นแล้วก็ที่เหลือแล้วก็เอาเวลามาหรือทําอะไรไปคือมันมีความลดความต้องการไปทั้งความโกรธก็ลดลงความโลภอย่างเงี้ยลดลงไปเยอะมากเลยะคะ่ะอาจารย์แต่ มันก็ยังแต่มันก็ยังไม่ถึงระดับที่เราทําได้ดีสัทีอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนอกจาก<ม>ว่าถ้าต้องการใ่้นไปเร็วเราต้องทุ่มเทเช่นไปบวชเลยอย่างนี้มันก็ไปเร็วหน่อยมัน<ะ>ขึ้นทางด่วนมันถ้ายังไม่บวชก็เหมือนยังอยู่คขับรถอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ใช่ค่ะมันก็ติดไฟแดงไฟแดงตินอะไรไปเรื่อยๆใช่ค่ะพระอาจาก็คือทําดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้สลับกันไป ใช่เพร ม, มันมีเหตุการณ์ที่ม า, มาบังเท้าให้เราทําไม่ดีบ้างนเมียแต่ถ้าไปบวชนี่มันมั น, ม, นมันไปอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวให้เราต้องอทําบาปทําอะไรอ่ะาจารย์อย่างนี้ที่ทําที่หนูทําได้ก็คือต้องทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีโอกาสที่ไปปฏิบัติจริงจังใช่ไหมคะอ่ะาก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็พยายามไปไปอยู่วัดไปปฏิบัติต อ, อยูนน่เรื่อย ถ้าพยายามหาเวลาเพิ่มให้กับการปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถ้าปฏิบัติเท่าเดิมทุกวันมันก็จะอยู่ที่ที่จุดเดิมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมันอาจจะเข้าได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่แค่เราแค่นี้ค่ะอาจารย์อ่ามันไม่ใช่อย่าเฉพาะการเข้าสมาธินะมันอยู่ที่การที่เราจะสามารถอยู่กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้ไหรือไม่ อันนี้เป็นการที่เราฝึกสมาธิเพื่อให้จิตเรามีพลังที่จะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่เป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆได้เพื่อให้เราปล่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์เพื่อให้เราไม่ทุกข์กับมันเพื่อให้เราไม่ทุกข์ไม่กลัวกับความทุกข์ยากลำบากในวันนี้สมมติจะต้องอดข้าวเย็นก็อะไม่เป็นไรเคย อ, อดมาแล้วอย่างเช่นต้องอดสองสามวันนะก็อด ไม่ทุกข์ไม่ไม่วุ่นวายใจยไม่เดือดร้อ น, น, อนคถ้าเก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอก็ใครฝึกก็อยู่กับความเจ็บมาแล้วมันก็อยู่กับมันได้ไม่ทรมานถค่ะอาจารย์ี่ก็ต้องฝึกต่อไปมสมาธิปัญญาเมันเป็นเพีเครื่องมือเป้าหมายหลักก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับความทุกข์ยากลาบากต่างๆให้ได้ ตอนนี้ทุกวันนี้หนูเวลาที่เราเห็นอะไรหนูก็พยายามมองเป็นไตรลักษณ์ไปให้หมดทุกอย่างในชีวิตประจํำวันก็มองในบ้านเราเนี่ยนะอะไรที่มันไม่จําเป็นก็อย่าไปมีมันทำบ้านเราให้เป็นเหมือนวัดเลยค่ะพระอาจารย์อูเนี่ยค่ะพระอาจารย์ไอเครื่องว่ามันวยความสูงต่างต่างก็ตัดมันไปเรียงโซโฟอง<ม>โซฟาอะไรนุ่มๆของนุ่มๆอต่างๆก็เอาไปขายใช่นั่งกับเพื่อนได้ค่ะพระอาจารย์อลยเลยคือท่านนั่งกับ นั่งกับเก้าอี้ก็เก้าอี้แบบไม่มีเบาะเมันไม้อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นพลาสติกก็ได้จะไปลองจะไปลองดูอีกค่ะอาจารย์อเก้าอี้ที่เราดั้งนี่ไม่ใช่เพราะเราต้องการนะญาติโยมญาติเย็นมาให้นั่งไม่ได้ค่ะของพระอาจารย์ไม่ได้ค่ะต้องให้พระอาจารย์สะบกสบายกันเขบอกวาจะช่วยช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของของหลังได้ก็เลยแต่ควาจริงเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ใช้นั่งเก้าอี้แบบนี้เราก็นั่งเก้าอี้พลาสติกอยี่ ค่ะอย่างที่นี้เขายันเย็นมาให้ไม่อยากทำอะไรก็เพราออาจารย์หลับไว้เถอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดสอนให้สอนให้อยู่แบบเรียบง่ายแ้วตัวเองนั่งแบบรู้หลังมันก็จะขัดขัดแย้งกันก็เลยต้องอธิบายให้ฟังอ่าอาจารย์ทุกคนทราบค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามแล้วนะคะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทักแรงนะคะนิยามฝึกฝึกขันอยู่แบบเรียบง่ายให้มันให้มันทุกบ้าง อย่าให้มันสุกเกินไปแล้วมันจะติดสุขแล้วพอมันไม่มีสุขมันจะทุกขึ้นมาทันทีแล้วเท่านี้ไม่จะเจอความทุกข์เลยเพงแต่สูญเสียค่าสุกไปมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็หันอยู่แบบอยู่กับทุกข์ไว้จะดีกว่าไม่มีสุขแล้วก็อยู่ได้มีทุกข์แล้วก็อยู่ได้นี่ดีกว่าขอบคุณอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะหนูจะจําไว้เลยะคะ่จะจ้<ป>าเชิญ ขอบพระคุณ ค, ะาาาคะ่ะอาจารย์มมรรยรอาธุเจ<อ><ห>้ค่ะอระอาจารย์พรมพิรายเป็นนักปูนไปไหนเตรียมตัวอย่างไรกับนมัสการค่ะมาแล้วค่ะแปลว่าักการพระอาจารย์ครับเออเป็นยังไงสบายดีกลับกลับนมัสการประจำวอาทิตย์เห <c oughs> ม, มืนอนรายงานตัวกันค่ะดี ว่าอย่างสุขสบายกันดีใจยังอยู่ยังยังที่มันใจกันอยู่เดือนนี้ได้ยินเสียงวันเว้นวันนะหนึ่งนี้พระอาจารย์เท้ๆทได้เยอะมากค่ะก็มันเปนคิวมันมันเป็นคิวของมันอ่ะโอเคมีภารมีภารกิจมันมีวันหยุดตอนเนี้ยววันจันทร์ก็เป็นวันหยุดแต่วันนี้ก็เป็นวันพักเล่คซะใช่ แล้วมีหลักการประจำอีกสามคืนนี่ก็ดีฮะเีนี้มันเฉยๆแล้วเมื่อก่อนมันก็รู้สึกลาคางมันก็รู้สึกเหนื่อยยากเดีนี้พอมันทําไปนานๆครับมันก็ชินมันก็เลยทําไปตามตามคิวของมันอ่ะวันนี้ถึงเวลาทําอะไรก็ทําไปของผมก็ชินแล้วพอนอยู่เฉยๆมาแล้วโอเคพวกเราก็เลยได้รับฟังเทศอยู่นะเดือนหนึ่งก็เยอะอยู่อืม ทำไม่สบายจิตเด็ก็ดีธรรมะเป็นเครื่องลองเรื่องจิตใจตอบเล่าจิตใจให้สงบให้สบายติดตามนะคะรอรอเข้าให้ได้ได้พบได้ฟังลดทั้งปัรญาลดทั้งปวงโอเคนะไม่มีอะไรก็จะไปต่อคนเยอะยังมีคนรอจะเข้าจะลาพักสองสัปดาห์นะคะจาโอเค ทาให้เต็มที่เลยงยให้เต็มที่เลยอาจจะเป็นโอกาสใกล้สุดท้ายแนละ้วค่ะอืมโอเคสาวเชิญสาวรัชกาคุณแปมต่อแปมหายไปหลายวันเหมือนกันนะเป็ ไ, ปไงสูงก็ไม่เข้าวัดก็ไม่มาอาจารย์เจ้าค่ะไม่ได้เข้ามาหลายเดือนเจ้าค่ะแต่ว่ายังฟังอยู่เจ้าค่ะยังฟังเทศของท้าอาจารย์อยู่เจ้าค่ะโอเค เป็นยังไงมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้ก็ไม่มีคําถามเข้ามากราบพระอาจารย์แต่ว่าพรุ่งนี้เอ่อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจะขึ้นไปได้มีโอกาสไปขึ้นเขาชิโอนอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะอ๋อดีมากดีมากอือใช่รอโอกาสนี้นานแล้วจะค่ะก็จะมีโอกาสได้ไป่ไปชาร์จแบตเตรนะอรี่หน่อยหน่อยนะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก็ยังปฏิบัติบ้บางไม่ได้บ้างตาม เหมือนเดิมค่ะยังยังยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยค่ะสามวันนี้ก็ทํำให้เต็มที่เลยไม่มีต้องไม่มีต้องทํานะมีงานจลาสเตอย่างเดียวสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้เจ้าค่ะลูกคิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าค่ะว่าสามวันนี้ขอเต็มที่เลยเจ้าค่ะอะ่โอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะน้อมกราบขอบพระคุณพระอา จ, จารย์เจ้าค่ะสาธุจ้ะ อันค right, ็น่เร่นใช่น่เล่ต่ออ้าวัศการครับพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ก็จะเรียนพระอาจารย์ว่าช่วงนี้การปฏิบัติก็ไปได้เรื่อยๆฮะจิตฟุ้งซ่านน้อยลงนะครับแล้วก็สงบได้ต่อเนื่องนานขึ้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมไปเยี่ยมไปหาหลวงปู่คาดก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นเคยอยู่วัดป่าบ้านตานด้วยกันกับพระอาจารย์ใช่ไหมครับ น้องบัวะอะไรเนี่ยหลวงปู่ใช่ใช่อยู่ด้วยกันก็เลยไปขอท่านช่วงปีใหม่เพราะว่าอยู่แถวในเมืองนี่เสียงดังท่านก็เลยให้ไปหาที่อยู่บนเขาเอาเองเจ็ดวันท่านขอให้อย่างน้อยขอให้อยู่ได้ถึงเจดวันนะฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างแค่ตอนทานข้าวอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติแบบให้เต็มที่ไปเลยฮะที่ว่าท่านมีมีเขาด้วยเลยโอ้ติดเขาเลยครับอา<ม>จารย์ติดเขาเลยถ <นะ S 2> ้าติด เ ป, เป็นป่าเป็นผมเข้าไปนี่แบบอึ้งเลยฮะเป็นป่าจริ ง, รงๆครเหมือนเราไปทุดงในวัดท่านก็แบบเวืเราอยู่กุฏิก็ไปไปหาเต็นท์หรือหากุฏิอะไรก็ไปหาที่กลางเอาแล้ววัดก็อยู่ติดกับคนเวลาเวลาจะขึ้นเขาเดินเดินขึ้นไปได้เลยเดินดขึ้นได้เลยคือวัดเนี่ยเป็นพื้นป่าติดกับเอ่อรู้สึกจะอุทยานแห่งชาติพพุทธบาทไหมฮะจะติดกันเลยครับอืมแล้วมีมีทิศทางบนเขาเยอะไหม เออมีกุฏิของพระอยู่ครับแต่ว่าท่านให้ใ ห, ใหแม่ผมอยู่กุฏิฮะท่านได้ให้ไปหาที่เหมือนกับเป็นไปทุ ด, ดงไปเลยฮะไม่อยู่แค่งเใช่ก็ไปเอาเอาจจะเอต็นไปกลางหรือเอากดไปปักไปไปเอาเองครับแล้วก็ให้อยู่คนเดียวไปเลยคือเอาแบบท่านขอว่าอย่งางน้อยให้เจ็ดวันแล้วกันอา่าไปอยู่ทุ่งไปอยู่ทุ่งเงยใช่ครับท่านเอาแบบนั้นเลยครับอืมมันต้องอยู่กับความทุกข์ยากลำบากสติปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นมา ใช่ครับพราะท่านก็บอกแบบนั้นเหมือนกันจะสู้กับกิเลสก็ต้องเอาเอากันแบบนั้นเลยแล้วกันผมก็อ่นานได้ดีมากจางปีใหม่นี่แหละช่วงปีปใหว่าปีใหม่เนี่ยผมว่าจะไปฮะเพราะว่าผมไปอีสานที่ผ่านมาผมได้ไปกับหลวงปู่จันเรียนครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหาหลวงปู่ข่าแลครับก็เลยครั้นี้พอเจอท่านแล้วสุดชอบชอบที่วัดนะครับหลวงพ่อพบอาจารย์เพราะว่าวัดนี่คือเป็นป่าจริงๆมละปีใหม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเสียงมันดัง ยังไงภาวนามันก็คงไม่ค่อยมันมันสู้เสียงธรรมชาติไปได้ฮะผมก็เห็นด้วยกับคุณต้องไปิดวิเวถ้าอยากจะบําเพ็ญจิตตะภาวนาครับแล้วที่ไปกราบท่านคราวนี้เป็นได้ไปพักในวัดด้วยป่ะ อ, อ๋อผมไปนอนที่อุทยานแห่งชาตินะ่าไปกับญาติครับไ ป, ไปนั่งภาวนาในพื้นที่เขตป่าในอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะว่าได้ยินเสียงป่ามันก็ก็ทําให้เราแบบ วิเวกวงเวงนีได้สุข ด, ดีใช่ครับเหมือนปลานได้น้ํานั่งปฏิบัติเท่าพอบันอยู่ป่าเนี่เหมือนเหมือนปล่อยปลาลงไปใน น, น้ํำใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวผมว่าเสาทิดาทีมอาจจะไปปรับตามวิทยาแหชาติไปกลางเต้นนอนอะไรพวกแบบนี้นในใครับแบไกลๆคนแล้วก็ไม่ต้องเจอใครนก็เอออย่าไปอยู่ใกล้คนถ้าอยู่ใกล้คนมันก็ไม่สงบครับเสียงคนที่มันบาดใจมากกว่าเสียงสัตว์เสียงปาลาล้องเสียงอะไร พอเสียงคนขึ้นมาเนี่ใจมันจะมันจะมีอะไรขึ้นมาทันทีกิเลสจะขึ้นมาทันทีใช่ฮะมันจะมีลาคาญอะไรแบบเนี้ยเข้ามแต่ว่าไม่บุญจะเสียงพวกเละไรหรือว่าจะกระจารร้องเอ่ยอย่างนี้มันมันเฉยไม่ยเ้ยเ่ยฮะใช่ดีก็เดี๋ยวก่อนไปคงจะมาขอคําแนะนําจากพระอาจารย์อีกรอบนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้ก็น่าจะเอากันแบบเต็มที่ฮะเพราะปู่ท่านบอกเลยขออย่างน้อยเจ็ดวันละกัน แล้วตอนที่ไปกราบท่านได้คุยกับท่านบ้างอเปล่าอ๋อได้คุยครับเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่เจอกับท่านตอนนั้นเพราะว่าช่วงบ่ายจะไม่คนจะไม่ค่อยมีแขกไปอะครับคือว่าท่านเนี่ยอยู่ที่บ้านถือมันจะออกมาจากทางวัดป่าบ้านตานนิดนึงคือคนจะไม่ค่อยได้ไปเพรานั้นเมื่อเทียบกับถ้าเกิดไปอย่างวัดอ่วัดทําสหายของหลวง ป, ปู่จารย์เรนนั้นคนเยอะจะไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านเลยเพราะคนคนจะเยอะมากอืม แต่ของของหนูปูคาดนี่คือถ้าเกิดท่านอยู่ว่ายังไงก็ได้คุยเพร า, าระว่าช่วงบ่ายจะไม่ค่อยมีคนเข้าไปอก็ดีนล้ท่านแนะนวอะไรไว้บ้างรึเปล่าก็ดูให้เต็มที่ครับท่านพูดมาเลยคะผมก็ถามท่านบอกงั้นก็มาบวชเลยแล้วกันคือท่านบอกเลยอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็มาเดี๋ยวจัดการให้บมดอ่ะมาแต่ตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวบวชให้ดี ก็ก็ดีฮะเพราะมีมีพระอาจารย์กับหลวงปู่คาดไว้ไว้เป็นแบบเหมือนกับอะไรฮะเป็นเป็นโลโมเดลไว้ฮะเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่านี่ผมอ่านประวัติแต่ละท่านนี่ฟันฝ่ากันมามาหนักเหมือนกันฮะก็ดูแล้วมันอย่างผมคนเยอะจงถือว่ามันปฏิบัติจังสบายไปหน่อยก็เลยต้องไปลองของแบบให้มันลำบากสัหน่อยนะฮะอยากดูว่าจิตจะเป็นยังไงอืมทุกบ่วงนี้ปัญญาบวเกิดอือได้ทังั้นเดี๋ยวผมก็จะลองครับพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวยังก่อนไปผมผมจะ กลัขอคำแนะนอีกรอบนึงแล้วกันนะว่าคุณจะต้องทำไงเพิ่มเติมบ้างโอเคได้ครับพระอาจารย์ครับอันนี้ไม่มีคำถามอะไรครับก็ขอยังไม่มีฮะยังช่วยตัวเองได้อยู่ในช่วงนี้ก็ขอไม่รบกวนเวลาพระอาจารย์นะคนอื่นจะได้มีโอกาสได้ถามก่นอนอ่า พ, พยายามจเจริญสติให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดนะะครับได้ครับโอเคครับได็ที่เป็นลูกตายเนี่ยคุณแม่ เชิบลีนามัสการข่าพระอาจารย์สามัสการค่ะจะเป็นยังไงสบายดีแล้วสบายดีค่ะมีอะไรัหมวันนี้ที่วัดพระอาจารย์ฝนตกไหมคะเมื่อกี้นียก็จะตกปล่อยๆแต่ไม่ไม่หนักไม่แ ม, ม่ถึงเเกเป็นเรียกของฝนนะอาจจะเป็นปล่อยๆวันนี้ตั้งใจจะ จะไปที่วัดอะค่ะจะไปที่กรุพระจารย์นะคะพอดีทางชุมบรีฝนตกหนักเลยค่ะอ๋อตรงนี้มัตอนที่เทศตอนบ่ายนี่ไม่ไม่ไม่มีฝนเลยค่ะวันนี้หนูก็เลยอดไปกราบพาะอาจาทําค่ะพอดีที่ฝนตกก็ไม่เป็นไรก็ได้ก็ได้มากราบตอนนี้อย่างนีค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ดูดูอิริยาบถค่ะอยู่กับอิริยาบถด้วย ามากขึ้นแล้วก็แล้วก็อา่านแล้วก็สวดมหาสติประฐานสวนดนะคะเพระตอนเข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องนั่งนั่งสมาธิด้วยนะสมาธินี้สำคัญมากนะนั่งสมาธิแล้ว ก, แวก็แล้วก็กำหนดอิเลียบทย่อยที่ที่เวลาทํทาทอทาบารกิ จ, จกต่างๆใช่ค่ะ ให้ใาอยู่กับให้ใจอยู่กับร่างกายอย่าไปคิดเรื่องอื่นก็ทําได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วพอนี้ก็อ่านอ่านเอาไหมอ่า น, าน เ, ลเล่มเล่มเบญจางกสุเบญจางเขกสดะมีพระจารีประธระานเสด็จมาด้วยเมือ่อก่อนอ่านเขตอนที่ไปขึ้นเขาอ่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ตอนนี้พอนั่งไปเรื่อยๆนั่งสมาธิมาเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้าใจขึ้ น, นะคะ่ะอืม ดีเริ่มต้นเอาแค่แค่กายก่อนว่ะาะมันเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนที่กายจะสอนให้เจริญสติผูกใจให้อยู่กับกายแล้วพอมีสติก็ให้นั่งสมาธิผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอโดยกว่าจะได้ได้ฌานได้อุเบกขาแล้วค่อยมาพิจารณาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นยังไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงอืม มีตัวตนหรไม่มีตัวตนเนี่สวยงามหรือไม่สวยงามน่าดูหรือไม่น่าดูเนี่ยมันจะซ้อนอยู่ในหมวดของกายทั้งหมดเนี่ยเอาหมวดของกายให้ให้ได้ก่อนปฏิบัติแล้วค่อยไปหมวดของเวทนาแล้วค่อยหมวดของจิตอ่าอย่าไปมาว่าต้องทำทั้งหมดเลยเดียวพร้อมกันเอาทั้งกายเวทนาทนาั้งจิต มนุษย์จับต้นชนปลายไม่ถูกสมาธิก็ยังไม่ได้สติก็ยังไม่มีแล้วจะไปไปพิจารณาให้เข้าใจเพื่อปล่อยวางกายเวทนาจิตมันทำไม่ได้ต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนในสติประธานต้รื่องมือชิ้น้ากคือสติเพราะถ้าให้มีสตินั่งสมาธิจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่มีพลังไม่มีเบคคาร์ม ต, ต้นให้มีสติแล้วมานั่งสมาธิให้ได้เบคคาร์ พอมีอุ่นบคขาที่นี้ก็ไปพิจารณาปล่อยวางร่างกายได้อ่าพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้หนูหนูนั่งเนี่ยบางทีมันก็มันไม่สงบค่ะแล้วพระอาจารย์สอนว่าต้องต้องมีสติระหว่างวัน อ, อก็ไม่เ่าเพิสติทั้งวันเลยพารู้ตัวก็ให้มีสติเวลาแบบนั่งสมาธิเผื่อว่ามันจะเข้าได้ได้บ้างค่ะจะสงบได้บ้างออื ต้องมีสติก่อนสมาธิถึงจะมาได้สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเหมือนเหมือนเหมือนความอิ่มอิ่มท้องนะหอิ่มท้องก็ต้องมีการกินก่อนถ้าไม่กินมันก็จะไม่อิ่มท้องอันใดถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิตามมาแต่ถ้าจะวาอยาสติไม่ว่าก่อ ถ้าจิตมันเข้าสมาธิได้มันมันจะเป็นความเบิกบานมากแล้วก็ขยนันเอ่อมันเอิ่มใจสุขใจนะก็ทำให้ทให้มากขึ้นนั่งให้บ่อยขึ้นช่วงแรกให้ฝึกสติสมาธิให้ชำนาญก่อนให้เก่งก่อนนะครัพอาจารย์แล้วใคยไปศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตัวเราหรือไม่เป็น ไม่เป็นแค่ดินน้ำลไฟสวยงามหรือไม่สวยงามอันนี้จะจะได้ไปปล่อยวางร่างกายนะไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายกต่อไปไม่ทุกข์กับร่างกายเข้าใจั้มเข้าใจค่ ะ, ะมีอะไรไหม ไม่มีค่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตออกเลยนะคะพระจาจจะได้มีคนตอบไปเข้าได้ได้ตามสบายเลยยืมฟังข้างนอกก็ได้ยืมฟังข้างนอกจะได้มีคนที่เขารอคิวเพาหนูเคยรอแบบเนี้ยโอเคสาธุดาบขอบพระคุณค่ะอ่าไปที่จุกโกเบนิปปองนิปปองเนี่ยเขาเรียกญี่ปุ่นเขาไม่เรียกจาแป น, เ, นเขาเรียกนิปปอง ที่ป้องบ้างก็ก็มีค่ะนี่ห้องบ้างก็มีค่ะนะอาจารย์นมันส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอืเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามาฟังทาเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมถ้าไม่มีก็ไปไลยนะฟังต่อไปอ่ะเปลลี่กุนบัวน้องคายกลน้มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นยังไงสบายดีเจ้าค่ะพอดีมีคําถามส่วนมนต์เล็กน้อยแล้วก็สามารถนั่งสมาธิได้เลยไหมคะได้เป็นเย็นนั่งแต่เราเงยจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้อยู่ที่ว่าบางทีนั่งไม่ได้เพราะจิตมันฟุ้งก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนให้มันหายฟุ้งก่อนแต่ถ้ามันไม่หายฟุ้งนั่งดูลมได้หรือนั่งอยู่กับพุโ้โธได้ก็นั่งไปเลย อ๋อการพักแล้วก็รัดหนานิดหน่อยแล้วก็นั่งได้เลยใช่ไหมคะได้เลย <Okay. S 2> าใจเราไม่ฟุง้งใจเราอยู่กับพุโทโธได้เราก็อยู่พุโทโธพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะอืมแต่ถ้าบางทีมันฟุง้งเมาต้สวดมนต์ก่อนให้มันหายฟุ้งก่อนเจ้าค่ะบางทีมีเรื่องค้างคาใจอยู่เยอะเรื่องแฟนเรื่องเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องอะไรต่างๆมันข้างคาใจอยู่ก็ต้องใช้การสวดมนต์เทียนอะไปก่อนอ๋อค่ะเจ้าค่ะ ออ uh huh. แล้วแฟนฝากถามว่าอยากถวายแว่นพระอาจารย์เจ้าค่ะเขาพูดกับหนูเขาอยากรู้พระอาจารย์อ๋อสายตาสั้นหรือสายตายาว เ, าเขาฝากถามเจ้าค่ะแว่นที่สาเนี่ยมันเป็นแนสายตายาวสายตายาวมีเลขมีมีตัวเลขกําหนดไหมคะคือแว่นพวกนี้มันต้องไปไปไปไ ป, ไปตัดที่ร้านจนจนดีกว่าถ้าไปซื้อตามตัวเลขของที่มันมันมันไม่ได้ขนาดเนะ เจ้าค่ะแต่ตอนนี้แล้วก็ใช้ได้อยู่มีแว่นพอเพียงอยู่ไม่ต้องมองเขาไม่ต้องกังวนมาขอบคุณมากเจ้าค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากถามเจ้าค่ะนะคะโอเคค่ะเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นไปก็จะไปกราบนมัสการเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอคุณทับเชริญคุณท้บต่อกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ มีอะไรไหมเออผมสวดทําวัดพอสวดเสร็จไปทําจิตอย่างอื่นบางทีมันมีเสียงสวดมนต์ขึ้นมาเองครับมันแสดงว่ามันติดไงมันมันฝําอยู่ในใจอ๋อเป็นดีดีหรือไม่ดีครับก็ดี <c oughs> <c oughs> มันดีกว่าไปคิดเรื่องบ้าเรื่องบอต่างๆมันมีเสียงสวดมนต์มันดีกว่าครับผมเสียงสวดมนทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสบายดีกว่าไปมีเรื่องการเมืองข้างๆอยู่เนี่ เรื่องนู้นเรื่องนี้มันเรื่องวุ่นวายต่างๆ่างยา ม, ม, มสวยไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะได้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมโอเคมีานนี้นะท่านนี้ครับอ่ากบขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคคุณสันนี่ต่อสันนี่แบงคบ์ครับ กานนำ้ำมัสการพระอาจารย์ตอนนี้ยัติดตามเรื่องเรื่องทองอยู่ยิ่งขึ้นใหญ่เลยนี่ใช่ค่ะพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ะตอนนี้หนีขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะกล้ากลัวๆยังกล้าซื้ออยู่อ่อเขาเขาได้ซื้อแต่เขาแบบรีบขายอะค่ะขายขายไปก่อนแบบขึ้นนิดเดียวเขาก็รีบขายแล้วไอ้กาลังนิดหน่อยก็ยังดีเขากลัวเขากลัวติดลอยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ไม่กล้าซื้อค่ะพอแล้วเลย ไม่ไดไม่ได้พอนะคะอาจารย์ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเข้ากลัวเลยกลัวกลัวค่ะกลัวเพราะว่าเออมีคที่เราพระอาจารย์บอกว่าระวังเดี๋ยวลงเหวนะก็แบบแกก็กลัวกลัวโยนกันแต่มันก็ยังไม่ยอมลงสักทีเลยแต่ขึ้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์พระอาจารย์แปลกแปลกมากเลยอืขึ้นแบบากลัวมากขึ้นมารอยสองร้อยขึ้นอยู่ได้ทุกวัน ใช่ว่าจารจะหกหมืนห้าแล้วน่ากลัวแปลกๆมากเลยก็อย่าไปยุ่งกับบรวยากาศนะแล้วมันน้อยสันโดดนีก็อย่าไปโลบเลยรอบแล้วเขรียดเราเพราะเรามีเก็บไว้พอพอพอเป็นเงินสำรองไว้ก็พอแต่วันวันไหนทุกอย่างลาบากก็เอามาขายแค่อย่าไปหวังเก่งกำไรอย่าไปหาความกำไรจากมันเลยค่ะก็ บอกคุณแม่อยู่ว่าเนี่ยพระอาจารย์บอกว่ามีพอกินพอใช้ก็ไม่ต้องไปเล่นหรอกอะไรเครียดเลยหรืเอลได้ก็ดีใจเดี๋ยวเวลาเสียก็เสียใ จ, <c oughs> จค่ะอาจารย์เครียดเครียดเยอะนะคะเวลาแกแบบติดดอยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะแบบเครียดมากอะไรเงี้ยเลยค่ะอาจารย์นู้ น, ะะนไม <c oughs> นูไม่ได้เล่นกับเขาด้วยเลย หนูไม่ที่เคยเคยเล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆเคยเล่นอยู่ค่ะแล้วมันใจที่บอกว่ารู้สึกว่าใจเราเหมือนแบบกลายเป็นสภาวะเปรดเลยอะค่ะที่แบบมันรู้สึกมันร้อนรุ่มแล้วก็มันโลภแบบไม่ไม่มีความสุขเลยแม้จะแบบได้กําไรก็แบบขายเร็วมันก็ได้กําไรน้อยก็ทุกหรือว่าแบบติดดอยก็ทุกคือแบบเหมือนมีแต่ความทุกข์ความเล่าเล่าร้อนแบบความอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เลยแบบไม่อยากไม่อยาก เป็นสภาวะแบบนั้นนะคะเห็นจิตเห็นใจนะเห็นสภาวะจิตของเราใช่ค่ะแต่ก็ก็มีแบบซื้อแบบเก็บไว้แบบเก็บตลอดคือไม่ไปเล่นแบบเป็นกําไรแบบพระอาจารย์บอกค่ะก็คือไปเก็บไว้เป็นทุนยามยากถ้าถ้าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เดือดร้อนก็เก็บไว้อย่างนั้นนะคะเก็บไว้เฉยๆไปใช่ค่ะเอาไว้ซื้อข้าวกินวันไหนถ้าไม่มีเงินซื้อข้าวใช่ค่ะเผื่อมีเหตุอะไรฉุกเฉินค่อยค่อยใช้ เพราะว่าถ้าแบบนี้มันจะไม่ใจไม่ไม่ได้แว่งมากก็เหมือนแบบเราเก็บเงินไว้ในธนาคารนะคะเออใช่ต้องต้องกระจายความเสี่ยงเดี๋ยวเกิดธนาคารเจ๊งเลยงัก็ยังมีทองค่ะก็แบบกลัวแบบที่บอกว่ากลัวว่าสมมุติถ้าตายไปแล้วมีอารมณ์แบบนั้นกลัวไปเป็นแบบเป็ดเลยค่ะอาจารย์ใช่แบบพราวันแบบรู้เลยค่ะว่าแบบเป็ดเป็นยังไงค่ะก็เลยไม่กล้าและมีแต่กล้ามือห่วย ใช่ค่ะอยากได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากได้อีกใช่ฝันไม่อิ่มพระเจ้าบอกว่าน้นทะเลก้างใหญ่ไซ้ายขนาดนั้นมันก็ยังมีฝันแต่คำโลกคำอย่างนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตเนี่ยใช่ค่ะเห็นแล้วก็น่ากลัวมากค่ะพอมันอยากแล้วทําให้ใจดิ้นดนทําให้ใจดิ้นดนทำให้ไทยเครียดขึ้นมาใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่เอาแล้ว ดีเลิกไปแล้วคะ่ะดีมากสื่อชองพระอาจารย์ต้องฉลาดนะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้ใจเราไม่นิ่งเข้าเออแบบนั่งสมาธิอะไรก็ไม่สงบอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากอยากได้ก็อยากได้ความสงบของสมาธิ <c oughs> แล้วก็อยากได้ธรรมามากกว่าคะ่ะใช่ลดแต่งธรรมใช่แล้วลดทั้งปวงใช <c oughs> ่ ค, คุ้มาราคามากกบ่แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในเรามี เพรไม่มีเะไรจะดับความทุกข์ใจได้นอกจากธรรมะทั้งนี้นนใช่ค่ะเห็นได้ชัดมากเลยค่ะพระอาจารย์อืมดีมีอะไรจะถามไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์อโอเคสาธุคุณหมอภาษนาอ่ากล่าวละวัสดิกับพระอาจารย์ค่ะไม่มีค่ะกลับมารอบที่แล้วแล้วก็ ไปอีกรอบหนึ่งกันเค่ะพาคุณพ่อไปทำบุญเขาที่แล้ว mm hmm. ที่ไปนี่ฝนตกตลอดพระอาจารย์แต่ก็สงบแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะเพราะเดินตรงกรมก็ใส่เสื้อฝนเดิน mm hmm. เดินในป่าเลยพระอาจารย์รา้ ว, ว่ากวาดตาได้หนักมากเพราะว่าน้ํามันลงไปไม้ก็กวาดกันสองคนเ mm hmm. ขาที่แล้วนะ ท, ท, ที่แล้วก็กลับมาพอดีก็เป็นอย่นี้จังเข้าสูงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็ไปต่อลูกรัเบริญญานี่เพิ่งกลับมาค่ะพาคุณพ่อไปไปวัดพระอาจารย์ท่านไม่ตามวาท่านนั่งคุยกับคุณพ่อเป็นชั่วโมงเลยค่ะก็ mm ัเพิ่งกลับมาเนี่ยค่ะพระอาจารย์ เดี๋วเดือนหน้าก็ว่าจะไปใหม่เพราะว่ามันรู้สึกแต่จริงๆแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมันส์มันดีอ่ะเพราะว่ามันสบายมันก็เหมือนไม่เหมือนอยู่บ้านหรือไปวัดมันก็มันก็โอเคแต่ว่าไปวัดมันได้ได้ฟังเทศได้สวดมนต์ได้อะไรค่ะก็ก็คือคนก็เลยกะจะไปตลอดวัดเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยไปโรงพยาบาลก็เพราักมันจะมีเครื่องมือพร้อมกันอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านใช่ไหมใช่รู้สึกเลยว่ามันดีตรงที่ว่ามัน มันบ้างบ้สันโดจริงๆพระอาจารย์ขณะฝนตกเอาเสื้อไปก็โอเคพระอาจารย์ซักซักมั่งไม่ซักม้าไม่ซักม้างห้าวันแต่อยู่ได้พระอาจารย์คือไปว่าจะเอาเสื้อไปแค่สมตัวเหมือนที่พระอาจารย์บอกนะคะก็โอเคเอก็จะไปรักษาใจพระอาจารย์หลวงปู่บอกว่าให้ขยันจะหลุดพ้นได้ด้วยความขยันก็ <c oughs> <c oughs> เลยจะขยันไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอพออย่างเนี้ยก็จะไปหาพร ะ, าร ะ, ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ไปทุกอาทิตเพราะว่ามันมันมันอาจจะไปวัดสลับกันแต่ก็จะไปหาพระอาจารย์ด้วยค่ะ โอเคไม่มีอะไรถารมแล้วจสงบร่มเย็นอยู่ค่ะอยากทราบทุกวัที่คุณยินดีอยู่นิวยอร์กนิวยอร์กไม่มีคําถามคะ่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนเดิมคะ่ะเข้ามากราบท่านอาจารย์คะ่ะแล้วก็เดวิตก็ฝากกราบท่านอาจารย์คะ่ะว่าช่วยบอกท่านอาจารย์บอนซองเต้ด้วยนะคะโอเคสาธุขอบคุณมากนะเพราะคุณเป็นญาติสนค่ะท่านอาจารย์อ่า เป็นคนนี้นนี้เวลานั่งสมาธินี่อะไรคมหน้าเลยอมุ้งคมหน้าเลยอะไรไหนุหนมศีษะเลยนะดีไหมไม่มีแมางเนะข้ามารบกวนนะค่ะใช่ค่ะเพราะว่ายุงแล้วก็แมลงหีแมลงอะไระเนี่ยเยอะอ่ะคอาจารย์ชอบนั่งในป่าด้วยค่ะในป่ า, ามันมันสงบกว่าเลยนั่งแบบที่ใต้ศาลาค่ะ บรรยากาศมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันกับพระอาจารย์อือยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราลุกขึ้นตนีกันอยู <มา S 2> ่กับทำาิ่งม า, ท, ม ท, ม า, มาทุกครั้งเลยเลยว่าวันที่มีเทศมามากับทุกครั้งเลยใช่กับพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกสบายสบายใจวันนี้ก็เดินขึ้นไปโต๊ะสามใบ อ๋อขึ้นไปบนดบค <น S 2> ่ะพระอา <บน S 2> จารย์บนโด่นั่งเป็สมาธิข้างบนเลยเลยบนขึ้นไปทั้งที่แล้วก็คือขึ้นไปแต่บางเอิญบางเอิญถูกรัตรี่สามใบสองตัวหนูก็ไปหนูบอกว่าเดี๋ยวถ้านูถูกหนูจะขึ้นไปอีกหนูเอ้าขึ้นมาก็ขึ้นไปอีกนะครับพราจารย์เรียว่าเป็นความบังเอิญแต่ในความบังเอิญก็ซื้ออีกค่ะะอาจารย์ อก็ยังคิดว่าเอาโลโหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าไม่โลก็ไปเล่นวันวายเราเอความโลภเขบอกว่ากดอะไรหลายๆอย่างให้ไวๆยังอย่างได้ของฟรีอย่างเงียอากได้ของฟรีอาจารย์ไปพรนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาแล้วไปพรเพาหนูจะได้ไปเร็วๆหนจะได้กดกดระวังอะไรที่ อ็ไห่ยากคัเอเราไารรู้สึกไปบ้านแล้วก็ไ ป, ประวนาว่าจะตามรอยพระบาทขององค์สมาสัพพุทธเจ้าแล้วหนูไม่เอาอเนนเลยแต่วรูบอกว่าขนาดเดะนมาขาดทำไม่ลก็ต้องอย่าไปซือ้อลอตเตอรี่ถาจะตามรอยพระบาทรูบ <laughs> <laughs> กว่าโอ้ตายละชิวิต ของคนเราเนี่ยของตัวเองเนี่ยเ<ม>ราเราอย่างไม่ไม่รู้เส็กตัวเลยรท้งว่าถูกมันหอ <c oughs> นลอกฮะก็รู้อยู่ตั้งหลอกตั้งอยากได้หนุกบอกว่าโอ้ตายละก็หันกลับมามองที่ตัวเองอื <c oughs> ว่ายังมีโออีกเยอะคะ่ะว่าอาจารย์สิเยอะมากค่ะก็พยายามเกล่าไปเรื่อยๆครับอาจารย์ อาไม่มีไม่มีที่ก่อนเลยดูว่าตายคงเตลอิดอะไรประมาณนี้่ค่ะอืมอถึงเวลาก็คือต้องไปตอนนี้ก็เด็กๆ เ, เขาก็ค่อนข้างที่จะติดเขาบอกว่ามันเสาร์ไปกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยขยันขันแข่งกันอืมอืมค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เรียบร้อยขึ้นกว่าก่าเยอะนะน่าดีบร้อยค่ะบป้าจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะสงขึ้นแล้วก็รู้ รู้ว่าไปค่ะค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะไอ้ตัวตัวดีตัวเลตตัวตัวเล็กนะคะตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้กสามตะโกน๋ยวหัวไม่อยู่ที่แก้วยังบอกว่าตัวแสบไปกลัวมานอนเฝ้าพระอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาเขารู้เขาบอกว่าอะถึงเวลามาเขาก็ไปทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกับเจ้า ืดี๋ยวพ่อรู้ว่าจะต้องไปให้อาหารปลาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาเราก็ต้องไปให้ลิงด้วยเอามีด้วยหรอไปให้มีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าเออจะต้องแบ่งปันให้พวกปลาค่ะพระอาจารก็จะบอกแบบนี้ค่ะครัค่ะพระอาจารย์เอ่อหนูมีคําถามกับพอดีว่ารู้ขึ้นมานั่ง สมาธิตอนที่เนี่ย mm hmm. รู้สึกว่าคือดูดีขึ้นเือน mm hmm. ไม่น่งไป mm hmm. แล้วเรื่อยๆตั้งแต่ตี 5, ห้าอะเมื่อวานนี่จบเจ็ดโมงก็มีเหมือนหวัวข้ามาตกุนบอนแต่ว่าผมก็รู้นะคะว่าจะต้องอยู่กับผู้โทรทั้งหมดสำหรับเราก็พยายามอยู่ตรงนี้เราก็เกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คือคิดถึงคำพูดของอาจารย์เสมอะคาะที่ไปฟังว่า ไต้องไปสนใจอะไรประมาณเนี้เลยมาตกใจตอนที่ลืมตาแล้วก็เอินเมื่อตาซ้ า, ายอะมันเหมือนกลับมาคร่ะอาจารย์คือทำไมมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันพาไปนิดนึงหรือว่าเราลืมตาขึ้นทันทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้สนใจก็พยายามก็หรือมันเป็นตายรักไปทุกอย่างเป็นตดยรักหมดอันนี้จันไม่เที่ย ไปเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปอนัตตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ก็อยู่กับมันไปรูมันไปอย่าไปตื่นได้ตกใจรักษาสติของเราให้เหมันให้อยู่คงที่ให้จิตเราเฉยๆเป็นอุเบกขาไว้อ่ามันไม่ได้ไม่ต้สนใจว่ามันเป็นอะไรมาจากไหนให้รู้จักวิธีปฏิบัติกับมันก็คือวางเฉยทั้งนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไป คิดถึงอ๋อทุกสียงทุกอย่าง ม, า ม, ม, มีมามีไปมีไปมีมาไม่จังอะไรงแต่ไปยิ่งมันจะทําให้เราทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นมาค่ะอาจารย์ตอนแรกก็นึกว่าตัวเองจะไม่ได้แบบตั้งได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าเคยผ่านมาแต่เราก็คิดว่ามันก็แค่สังขารเป็นสภาวะเป็นสภาวะของจิตดีดค่ะาอาจารย์พอเราไม่บำรุงตรงนั้น มันก็มีที่อื่มันก็ไม่ได้มีอะไรหนูบอกวามมันเป็นตายร้างไปแล้วปรากฏการณ์อย่างหนึ่งไปขึ้นตั้งอยู่รลดับไปค่ะค่ะอาจารย์แลก็คิดแล้วก็คิดอย่างนั้นเป็นการว่าเด็กมันก็ผ่านไปแล้วก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับอารย์มันไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นแล้วแล้วเลวลงค่ะค่ะอาจารย์อย่าไปดองกันถ้าดอว่าจะทุกข์ค่ะ ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆครับกับอาจารย์แล้วก็จะไปฟังกับอาจารย์อสักับอาจารย์อาจารย์สุภัจาต่อเีเรยกอาจารย์ได้เต็มที่แล้วนะเต็มปากนะสัญญาขออาจารย์ก็ขาดกาหายได้ มันเป็นสัญญาณมันก็ดีเลยอาจารย์อพูดไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอันนี้ไม่มาเลยหายไปเลยที่อยู่บ้านที่ ท, ท, ท, ที่ที่บ้านคงจะสัญญาณไม่ดีมนะหรือบางทีมันอยู่บ้านอยู่ที่บางจุดของในบ้าน สัญญาณบางทีบางจุดมันขึน้นมันมันมันอับต้องอับตอนย้ายย้ายย้ายจุดดูตแต่เราในสัญญาณรู้สึกไม่ค่อยดีคุณสุภาษาใช้โทรศัพท์หรือเปล่าฮะใช้โทรศัพท์ลอง<ะ>ลองเดินลองเดินโทรศัพท์ลองย้ายที่ดูนะฮะลองเดินลองเปลี่ยนที่นั่งดูลองเลี่ยนที่นั่งแล้วลองพูดไปเลย ดีขึ้นไหมยังไม่ดีแต่ก็น่าดีขึ้นน่าหน่ดยขึ้นหน่อยนะเราเราเราขยับอยังยังเหมือนเดิมอยู่ขยับให้มันมากกว่านี้ได้ไห ม, ไ ม, ไ, มไม่ค่อยดียเหมือนเดิมเนี่ย ทำะอการส่ต้องรรมายเาคเรื่องอะไรอาจารย์อ่เราอาจารย์้ออ่คุณคุณสุภัตตาฮะเออโทรศัพท์ใช้เป็น w วไฟหรือใช้เป็นปัญญาโทรศัพท์นะฮะคือคือถ้าเราปิดปิด ตัดสัญญาณ wi ไฟออกนะฮะให้เหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์อย่างเดียวก็ไม่มีเน็ตบ้งในซลมห้องดีก็ไม่มีก็ไม่มีเน็ตเรใช้ไม่ได้คแต่ตอนนี้ตอนนี้ขาดแล้วคนะรับานอืม์เน่งลเฉยละถ้าอ่านมาแล้เนี่ยมาสัญญาณไม่ดีเจ้าค่ะคงคไม่ได้แล้วใช่ไหมไ ด, ได้แล้วฮะได้แล้วฮะพอดี อาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลุงถามเจ้าค่ะพอได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินเป็ น, ปน ช, ช่วงๆตอนนีใ้ใช่ใช่ใช่ใช่สัญญาณ ข, ของของโทรศัพท์แล้วใช้สัญญาณกับไวไฟไวไฟที่บ้านเจ้าค่ะไวไฟที่บ้านลองลอ ง, ลองพู ด, ดยาวๆดูนะฮะ น, น่าจะได้นะคระับอาจารย์ ค, คุณสุพาาัชร้องพูดยาวๆเลยนะลูก ห, หน่งของลูกคาคือกรบหทานาครว่าถ้ามาอหลูกเป็นั้นบริหารเจ้าค่ะทีนี้มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยต้องรับรู้เงินด้วย ความายพ่อะมาลูกจะวางตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยจากจากสิ่งเหล่าเนี้ยเจ้าค่ะหมายถึงคือเราต้องดูแลเรื่องเงินนะเจ้าค่ะลูกลูกควรจะทำตุทาอย่างไรเพื่อให้ปลอดภัยเจ้าค่ะก็ต้องทำอย่างโปร่งใสให้อย่าไปทําแบบมันลับลับล่อๆทำ น, นองนั้นทําให้มันโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา แล้วค่ะแล้วลูกทุกคนจะจะคือทาคือนอกจากโปร่งใสแล้วลูกจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือให้ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ระมาัดระวังมากขึ้นเจ้าค่ะเพราะลูกว่ามันเหมือนเป็นมุ่งแกบบับมันอันตารายสำหรับลูกเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรายังไม่แม่ไม่แน่แน่ก็อย่าไปรับหน้าที่อะไรก็อันนี้ก็เลยจะดีกว่า เพราะว่าใจเรายัางไม่มั่นคงพอที่จะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตไว้ได้อาจจะถูกอำนาจของกิเลสหรืออะไรมาครอบงำถ้าเราไม่มั่นใจก็บอกขอขอปฏิเสธหน้าที่นี้ได้ไหม อ, อที่เรื่องที่เกี่ยวกับเงินทองอะไรเจ้าค่ะประช า, าสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นใจทีนี้เราจะมีทีมที่ต้องดูปรด็นดี คนคือเราจะทํำยังไงทีมที่คือคือลงงานกับคนอื่นเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ยเราจะมีวิธียังไงที่ให้ปอดภมากที่สุดคะคือคําถามไม่ค่อยินมันก็ได้ชัดเท่าไหร่นะโดยหลักก็คือให้เรายึดถือยึดหลักศีลห้าไว้ก็แล้วกันอย่าไปอย่าไปทําให้ขาดศีลห้าอย่าไปรักทรัพย์ของผู้อื่น ชอโกงหรืออะไรในรูปแบบที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์โดยโดยวิธีไม่ชอบนี่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวลู้เราโอกาสได้เจ้าค่ะอาจารย์ของคือค่ะของขอไปด้วยนะสัญญาณไม่ค่อยไม่ค่อยดีฟังไม่ค่อยจะเต็มที่ฟังแล้วอย่างไรไม่เป็เจ้าค่ะค่ะ สาธุตานะคะอ่าไปกันทเป็นสาธรกาต่อไอโฟนสิบเจ็หรือเปล่าเนี้ยไอโฟนไม่เจ้าค่ะอะไรสิบสองสิบสามสิบสิบห้าั้งคะสิบห้าก็ยังใหม่อยู่นะสองปีแค่นี้ค่ะแฟนเขาซื้อให้ค่ะอ่ค่ะน่ารักน่ารักไม่ไม่ลูกลูก คัามชาติมันเยอะแต่ลูกใช้ไม่เป็นเลยโตเข้าโตออกอย่างเดียวนะใช่โตเข้าโตออกเข้าสูงฟังเทศ่พอแนละ้วแค่นี้ก็พอแนละ้วค่ะถ่ายร<ข>ูกได้ก็หน่อยค่ะลูกลูกไม่ค่อยชอบถ่ายแต่แฟนลูกเขก็ชอบถ่ายแต่ลูกไม่ค่อยชอบค่ะส่วนมากก็ฟังเช้ามาก็อ่านไอ้เพจของพระอาจารย์แล้วก็แชร์ธรรมะค่ะ แล้วก็สายๆก็ฟังธรรมพระอาจารย์เย็นก็นั่งสมาธิคะ่ะก็อยู่แต่ในห้องไม่ค่อยไดไปไหนอะ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะปฏิบัติค่ะโ <Okay. S 2> อเคคร่ะไม่ได้คุณต่อย ค, คุณอัดอะไรอัดสดาวุฒิอะ ensure, อัดสดาวุฒินะัดสดาวุฒินมัสการครับอาจารย์ได้ไหมเขยชัดไหมครับ <c oughs> <c oughs> ชัดชื่อชื่ออ่านได้ยางไงอัสดาวุธครับโอเคอัสดาวุธครับคือ <Yeah. S 2> ม, มีคำถามครับคือตอนอ่าผมได้มีโอกาสเข้าไปบวชที่วัดต่ามาแล้วหลังจากนั้นหลังจากศึกมาแล้วผมก็ปฏิบัติมาคือใช้อ่าปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิครับแ ล, แล้ว ตอนแรกก็รู้สึกว่าการใช้พุทโธมันมันขัดอะเหมือนเหมือนผมไปเพ่งลมเกินไปครับใช้ตัวพุทโธจับกับจับกับลมหายใจตึงใบกายแบบกลายเป็นอึดอัดนะครับก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทั้งสองอย่างก็ตอนนี้ก็เลยปรับใหม่คือไม่ไม่ท่องพุทโธหรือหรใช้การแบบว่าดูแบบว่าเพ่งลมหายใจ ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นอ่าใช่อย่างนั้นไปใช่แล้วเวลาผมทํางานนะครับผมพอดีผมทํางานขับรถตามท้องถนนเนี่ยครับคือเวลาผมทํางานผมรู้สึกว่าเหมือนกับจิตมันเกิดดับเกิ่อตับหรือ ว, ว่าเห็นเวทนาครับเอ่าไม่ต้องไปสนใจตอนออให้มิเศแต่อยู่อาการางงาการเคลื่อนไหวของร่างกายจะดีกว่าครับ ก็พอแบบมันเห็นเวทนาแล้วจิตแบบเหมือนมันมีจิตแป๊บขึ้นมาคือแบบเหมือนบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าเราถึงแบบว่าจิตไปฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้นี่มันใช่ตัวอวิชามไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวนะไม่มีชงองวิชามมันเกี่ยวที่ว่าใจเรายังไม่มีสติไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเวลาเวลาทำอะไรต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทํา อย่าไปสนใจกับสิ่อย่างอื่นที่ที่ปรากฏขึ้นมาถ้าเรารมีถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาเคลื่อนไหวเราให้มีอยู่ดูดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปครับก็เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็พยายามแบบว่าจับลมครับจับลมหายใจเข้าออกเข้าออกก็รู้สึกว่าโล่งครับไม่ไม่ไ ม, ไม่ป่าอุดอัดเหมือนเมื่อก่อนนะครับ มันไม่ดีเวลาทํางานมันต้องอยู่อยู่ของงานจะดีกว่าไปดูลมหรือทํางานผิดพลาดได้ครับก็ตอนทํางานก็อับรดไปครับก็เปิดธรรมะฟังด้วยแล้วก็มีสติรู้่ครับไม่ดีให้ให้มีสติอยู่วัาการขับรถอย่างเดียวยันดีกว่าครับครับแล้วอย่างผมอา่าเหมือนเพิ่งเริ่มหัด เดินตรงกลมครับก็กเดินมีสติอยู่อาการเดินไปแคนะ่นี้ครับมันเวลาผมเดินครับมันผมนับเก้าดูมันได้ประมาณสิบสองเก้าครับเพราะว่าผมทำปฏิบลองปฏิบัติลองเดินในห้องครับเวลาผไปผมไม่รู้ว่าพื้นที่มันน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่ า, วาเวลาเดินไปเดินไปวนไปวงไ ป, ไปมันรู้สึกเริ่มมุ้งหัวครับเอ่อธรรมดาอย่างน้อยคนยี่สิบเก้าขึ้นไปถึงจะจะสบายหน่อย แต่ถ้าไม่มีก็ก็ต้องเดินในที่แคบไปอาจจะเดินแบบอย่าอย่าหมุนกลับก็ได้เดินเดินเดินไปแล้วเดินถอยหลังกลับได้ไหมก็ยังไม่ได้ลองครับการวนเพราะรู้สึกว่าหัวแล้วครับอย่าอยาไปบุนอย่าไปหมุนเลยเดินไปพอสุดทางก็เดินถอยหลังเดินหน้าเดินถอยหลังไปเป็นขับรถอ่ะขับรถไปข้างหน้าแล้วไม่ต้องกลับรถแกไม่ต้องมันไม่ต้องหมุนร่างกายพอเดินไปสุดทางก็เดินเดินนับถอยหลังกลับแทนครับ เราบงทีเนี่ยาก็เดินนัำกลมในในกุฏิกันเดินแบบเนี้ยเราก็เดินประมาณสิบกว่าสิบเก้าก็เดินไปพอสุดทางก็เดินถอยหลังอะไรตอนเอามือคอยยันไว้ข้างหลังดูเผื่อเดี๋ยวจะถึงถึงถึงกำแพงเออจะได้รู้ว่าถึงก็รู้สึกว่ายังจับยังจับตัวแบบว่า เร่อตัวกรรมฐานไม่ได้คือแบบว่าอใช้จะใช้แบบว่าเวลาร่างกายเวลา่ใช้ร่างกายค่อยเข้าดูร่างกายเหมือนดูลม น, นั่นเองแทนที่จะดูลมดูร่างกายแทนครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องแบบว่าจับก้าว่าพุทโธอะไรใช่ไหมไม่ต้องละ่ะไม่รูว่าเรากำลังเดินว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาใช้แบบจับก้าใช้พุทโธก้ามันยุ่งมากเกิ น, นไปเหมือนเหมือนกันดูลมเฉยๆนะดูลมไม่ต้องมีพุทโธด้วยก็ได้ เวลาเดินก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีพุโทโธก็จะดกูก้าวเท้านะเราไปทำซ้ายขวาซ้ายขวาท่านี้ก็ับนะเราไปทําดูนะครับครับโอเคไม่อะไรไหมไม่น่าจะมีครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้นะอาจจะแบบว่าถ้ามีโอกาสอาจจะไปฟังทำอาจารย์ครับแล้วก็อะไรก็ไม่มีแล้วแน่นอนเนะี่ยจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มา ับแล้วถ้ามีถ้าโอกาสต้องใช้คาว่ามีโอกาสนะครับโอเค okay. ดีสาธุ <c oughs> อ่าไปที่นาลาที่ว่าแม่ลูกดิสยากับอุตสาใครจะพูดก่อนนมัสการคระบอาจารย์ไม่มีคำถามกาไย์มาฟังธรรมไม่มีคำถามอให้คุณแม่พูด สองโยมค่ะอาจารย์ช่วงนี้แบบนั่งภาวนาไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะเดินจงกรมแทนแต่และโยมก็เพิ่งมาได้คิดว่าเราก็ต้องอยู่กับการป่วยลองนั่งดูแต่นั่งแล้วมันคันจมูกแล้วมันจามอะค่ะอาจารย์<ม>ก็เลยใช้เดินจงกรมแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆอะค่ะถึ่งใช้วิธีนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดเวลาป่วยนอนติดเตียงจะทำยังไงเราขึ้นบันไไม่ได้ไไดค่ะโยมโยมเพิ่งมาได้คิดเมื่อสองวันที่แล้วว่าทําไมเราไม่อยู่กับ การป่วยแล้วก็โยมนึกถึงเจ้าคุณเจ้าคุณนอค่ะอาจารย์โยมไม่ได้เรียกถูงหรือเปล่าที่ท่านเจ็บที่คอค่ะอท่านป่วยอย่างนั้นแล้วท่านยังอยู่ได้ดูว่าเออทำไมเราไม่ใช้แบบนั้นแต่งว่าตอนนี้เราต้องใช้ปัญญามากกว่าแล้วใช่ไหมคะใช่ว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะอาจารย์อย่างนั้นถูกกับแบบ่ะเออก็ใช้สติได้ยืนท่าไหนาก็ใช้สติได้คุณโธได้ดูลมได้แล้วแต่เราจะใช้อย่างไหนได้ก็ใช้นั้นไป ถย้ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิใช้ปัญญามันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คือยมยมก็มาใช้วิธีการนั่งเก้าอี้เอ็นๆนะคะจาย์แล้วก็ดูลมไปจากที่มันคัดจมูกมันก็เริ่มโล่งอะค่ะจันแล้วที่มันถ้ามันย้อยก็ปล่อยให้มันย้อยแต่ว่าถ้ามันไม่ไม่จามก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้ก็ใช้วิธีนี้ไปอ่ะค่ะจันอยู่กับมันอยู่กับความเจ็บการป่วยของมันให้ได้แล้วก็อยู่กับส ต, ติแล้วก็สมาธิได้ะคะ่ะยมลองทําแบบนี้ก็รู้สึกว่าดีอยู่ะค่ะจาย์อืน ก็คนจะให้มันเข้าสมาธิให้ได้มากๆก่อนถ้าไม่มีสมาธิมันไปทางบัญญัมันก็ไม่มีพลังไม่มีควางมันได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ดีดออกค่ะอาจารย์ได้แป๊บนึงแต่ว่าก็มันมันได้อยู่นะคะอาจารย์ได้อยู่แต่พยายามที่จะนั่งกับมันอยู่พยายามให้ได้อะค่ะอาจารย์ก็เราต้องพยายามทำมาให้มันนั่งให้มันได้นานให้มันสงบได้นานแล้วมันจะมีเมขาได้เยอะแล้วมันจะวางเฉยได้ก็จะใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลส ก็เลยการคือว่านัง่งแล้วก็เอาทิชชู่รองให้มันหยดลงมาให้มันไหลมาเรื่อยๆอย่าอาจารย์อืมปล่อยมานนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านโยมตอนเชา้าอากาศเย็นมากบายวันก็ฝนตกแล้วตอนเที่ยงร้อนตอนเย็นฝนตกอากาศมันปลวแปรมากเลยค่ะอาจารย์อแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะโยมโทรศัพท์คุยกับมาริกามริกาถามโยมว่าทําไมเราต้องยอมเขาถามโยมว่าทําไมเราต้องยอมด้วยละ่ะอ่าเขาเรียกโยมว่าอ่านะคะ ยมก็บอกว่าการไม่ทาว่ายมตอบถูกหรอคะการยอมนี้เราไม่ใช่ยอมจานนนะการยอมนี้นี่คือการอุเบกขาเราไม่ไปยึดอะไรทั้งหมดอะค่ะอาจารย์ยมตอบเข้าไปแบบนี้ไม่ทราว่ายอมเฉยแค่ไหนเราไม่ตอบสู้ไม่ไม่ต่อยากับใครใช่ค่ะบอกว่าไม่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นอะไรหรือจะเปลี่ยนเขาไม่ใช่ เราไม่ให้ค่ากับเขาเราไม่สนใจเราอุบเบกขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วคําที่อาจารย์สอนโยมว่าเดี๋ยวมันก็จบโยมใช้อันนี้มาตลอดคะ่ะอาจารย์ยก็จบเราไม่อยากจะยุ่งกับใครยุ่งแล้วมันมีเรื่อง ม, มีราวมีปัญหาใช่ค่ะโยมก็บอกมาลิกาไปว่าเรายอมไม่ใช่เรายอมแพ้นะไม่ใช่ยอมจำนนเราไม่ได้แพ้ด้วยแพ้ก็แพ้แบบแพ้แพ้แบบพระใช่ แ, แบบชนะอาจารย์แพ้แบบพระชนะเป็นบาน คือแบบว่าเราชนะใจเราเองเองค่ะจ้าเราชนะใจเราเองนั่นแหละพายแบบนั้นละค่ะใช่เรายมบอกเข้าไปแบบนั้นว่าเราไม่ต้องไปคิดไอเขาเป็นกล้วยเป็นอ้อยไม่ต้องไปคิดเพราะว่ามันคือต้นทางแต่ว่าเรายอมที่ว่าเราไม่ใส่ใจอ่ะค่ะเราอุเบกขาให้ได้อันนั้นคือทิดที่เราต้องการก็แต่ละคนก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันเขาจะวิธีไหนก็ตเราต้องเป็นไปตามวิธีของเขาค่ะคือเขาถามเราออกมใช่ค่ะ ก็าถามโยมก็ตอบไปแบบนั้นว่ายอมไม่ใช่ยอมแพ้นะคือเรายอมแบบเราอุกเบกขาเราอุกเบกขาให้ได้อะคะ่ะวางแบบนั้นให้ได้แล้วเราก็มีความสุขค่ะโยมตอบเข้าไปแบบนั้นค่ะแล้วก็โยมใช้วิธีนั้นด้วยค่ะจะค่ะก็หมายก็คือ ใ, ใจเราแน่งเฉยไม่ไม่ไมวุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับใครใช่คือโยมก็บอกเขาว่าตัวโยมเองเนี่ยเป็นคนใจร้อนนะ แต่ว่าตอนนี้โยมต้องเปลี่ยนมาเป็นคนที่นิ่งซึ่งมันเปลี่ยนยากนะการที่จะเปลี่ยนตัวเองมาถึงขนาด น, นี้มันยากมากเลยนะแต่เราก็มาถึงจุดนี้ได้เราก็ก็มีความสุขคอาจารย์แล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะอาจารย์อยู่ที่ความเพียรพยายามค่ะโยมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะถ้าโยมไม่เจออาจารย์ปานิยมก็อยู่อินเดียแล้วล่ะคะ่ะเนี่ยมอยู่ทำไมที่นั่นคือตอนนั้นโยมกเกษียณโยมตั้งใจว่าโยมกเกษียณโยมจะไปอยู่อินเดีย โยมจะไปช่วยงานที่โน่นค่ะโยมมีความสุขกับการที่ไปภาวนาที่นั่นนหะค่ะแล้วก็พอตอนนี้โยมเข้าใจแล้วค่ะว่าต่อให้โยมไปอยู่เป็นสิบปีแล้วโยมไม่เจออาจารย์โยมก็ได้อยู่แค่สมาธิแค่นั้นเองโยมไม่สามารถแก้ตนี้ได้เพราะว่าถ้าเราเก่งยังไงเราก็ไม่มีปัญญาที่จะตัดตรงนั้นไปได้อะค่ะอาจารย์อืโยมก็ถือว่าต้องขอบคนโควิดค่ะที่โยมได้ไม่ได้ไปอินเดียค่ะอาจารย์อโยมเลยได้มาตรงนี้โยมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยค่ะอาจารย์ ขอบพระคุณนะค ะ, ะคสาธุจ้ะอิสยามีอะไรไหมไม่ไม่มีคําถามค่ะอาจารย์โ okay. อเคทำไมไม่กานต่อไปที่คุณมิกาต่อนะอ่ามาิกาได้ยินเข้าพูดเรืองเมื่อกี้นี้กลาวนมั น, นา ก, การจะกล่าวอาจารย์มีอะารจะแย้งไม่อะไรไม่ได้แย้งค่ะอาจารย์ก็ก็ไปศาลต่อเมื่อได้รับฟัง อาา่าสบุตรแล้ ว, วก็ไปสั่งต่อก็คือโดยการที่ว่าไปให้ของคนนั้นแล้วเราก็มีความสุขกลับมาแต่พระอาจารย์าาก็คือเขา้าใช้ความเ<ค>มตตาดีค่ะเราชนะใจเป็นดีด้วยการให้เขาแบบพระอาจารย์ให้อภยัยให้อภัยเขาแล้วก็เราก็มีความสุขพอเห็นเขาก็พอติดปลูกแต่งก็บอกว่ามาเอาแตงมากินไป จะเอาไหมมาเอาได้เลยเยอะแยะเลยมาเอาสิถ้า mm hmm. บอกว่าเออแม่ให้แล้วอะไรประมาณนั้นเด้อ mm hmm. ก, ก, ก็ก็หายไปเลยค่ะก็จะก็มีความสุขแต่ลูกก็มีมีมีปัญหานิดิึงก็คือไปยึดติดพอไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมีการภาวนาหรือนั่งนั่งสมาธิมันจะไปติดอยู่กับสิ่งที่เราไปยึดติด เช่นเราชอบกินอาหารเราก็ไปยึดติดกับอาหารก็คืออาหารนั่นแต่ล อ, อยมาแบบอืมมันนี้อร่อยนะนู้นอร่อยนะเออืมแบบนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะพ่อจันก็ได้มีความคิดขึ้นมาว่าอ๋อเมื่อเราไปสนใจอะไรมากที่สุดในวันนั้นในช่วงนั้นสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้อนเข้ามาในจิตสํานึกของเรา ถ้าเมื่อไหร่เรามีแต่ธรรมะถ้าเราพุโทโธตลอดมันก็จะมีพุโทโธเจ้าของพระอาจารย์ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ที่ถูกต้อ ง, องทําอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยกําลราไปก็อย่างน้อยก็ให้มีข้อคิดขึ้นมาว่าเอาสิเราจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม่าพระอาจารย์ก็มีพุดขึ้นมาว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางธรรม ถ้าเราอยู่ทางธรรมก็อย่าไปเฝยทางโลกให้ม <pel> ันมากนะเจ้าค่ะอาจารย์บอกตัวเองแหวือนงั้นะส่วนการนั่งสมาธิแบบนี้ก็มันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าพ่อจะไม่ขี่บ่อยมากดังนั้นโอกาสที่จะได้นั่งสมาธิได้เยอะมากเพราะว่าพอตีสามตีสี่พ่อก็ลุกขึ้นขี่เสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็พอตีห้าก็เริ่มทานกับข้าวเจ้าค่ะอาจารย์ โอเคไม่มีคำถามแล้วค่ะโอเคไปที่จอยคุณจอยต่ออนนี้มานั่งสมาธิที่นั่งปกติเลยเจ้าว่ <c oughs> ะค <c oughs> ะทุกท่านวันดีครับ <c oughs> ยังไงยังไม่นอนอีกเหรอพอ <c oughs> ตอน <c oughs> ช้ากาสลึมสลือตอนเด็กแวมตาแจ่มใสวันเราพอตอนช้าขึ้นมา ม, า <c oughs> มัอนอีกคนหนึ่งเลย ใส่บานเหมือนกับเหมือนกับผีดิบใส่ใช่ค่ะตอนี้ชีวิตเว่าใช่ค่ะมยังไว้หร อ, อ, อไปอืม <c oughs> หนูจะบอกว่าวันนี้หนูมาทีใช่ไหมคะ่ะ <c oughs> แล้วก็คือมแมลงอะ่ะมันกัดหนูอะ่ะแต่ว่าหนูอดทนเพื่อที่จะไม่ขยับบ่จนมันต่อยหัวเข่านมหมดอย่างเงี้ยคือถูกแล้วใช่ไหมคะ ถ้าต้องการทดสอบว่าเราปล่อยวางได้หรือปเปล่าก็ต้องต้องทําหนู ย, ายามถ้าไม่ใช่ไม่ต้างทดท่านะถ้าเราไม่ได้ทดสอบแล้วก็ไล่มันไปได้ขยับได้<น>เราต้องการทดสอบค่ะหนูเลือกที่จะยอมให้มันต่อยจนสากระใจมันก็ดีเพื่อฝึอกความอดทนว่าเราพอหรือยังค่ะใช่ฝึกควอดทนฝึกอุเบกขาวางเฉยปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ใช่ค่ะหนูรู้คิดฝึกปัญญาไปด้วยใช่ค่ะหนูคิดคิดตามที่หู้อาสาสอนเราค่ะก็เลยนั่ง อ, อจะกัดก็กัดเข้าไปเหอนหนูก็เลยไม่สนใจก็นั่งนั่งนั่งดีค่ะวันนี้คือมีพลงังมีแรงเพราะว่ามันรูแบบ้สึกแบบมีสเต็มใช่ค่ะรู้สึกว่าวันนี้นั่งนั่งดีขึ้นอ่าดีนั่งบ่อยๆซ้อมบ่อยๆแล้วมันจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ แต่เ่าไปนั่งที่พระาจารย์เทศก็คือแบบมันเรามีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าเราได้อยู่กันแบบควเ น, นั่งใช่ควค น, นั่งกันวนเราก็ต้องนั่งตามเขาไปใช่ค่ะล้วก็ทำให้เรามีแบบมีพลังก็ด้วยกันถ้านั่งคนเดียวเดี๋ยวมันจะมันจะเลิกง่ายใช่ค่ะผมไม่เอาก็เลิกเลย<ช>พอเบื่อก็เลิกเลยแล้วก็อีกอย่างที่หนูรู้สึกดีคือเวลาหนูไปใส่บาตรอ่ะจะไปตรงไหนทุกคนที่ใส่บาตรคือเขาเหมือนคน มาจากสวรรค์กันหมดเลยทุกคนดีหมดเลยเทวดาทั้งนั้นคนใส่บาตรนี่เป็นเทวดาะนะั่นแหะใช่ค่ะพอไปจะอยู่ตรงไหนไปนไหนสวยๆทุกว น, นก็ต้อนรับช่วยเหลือกันแบบใช่ค่ะมีความเมตตาต่อกันใช่ค่ะมันทำเลยทําให้เรารู้สึกมีตรงนั้นไปด้วยเลยค่ะเวลามาใส่บานรทุกคนแฮปปี้ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ค่ะไมีใครหน้าเบื่ตึงเลยใช่ค่ะแล้วทุกคนก็แบบเออช่วยเหลือกันบางคนถือมาบางทีไม่ทันพระจารย์หรื อ, เ, อ, อเห็นคนก็เขาก็วิ่งช่ว ย, วยกัน ใช่อันนี้แหละคือคุณสมบัติของเทวดาทาบุญแล้วก็จะได้เป็นเทวดากันอหนูดีหนูก็เริ่มได้แล้วใช่ไ่ะเรามีความสุขด้วยเวลาได้ทาบุญได้ช่วยเหลือกันได้ได้วยแบ่งปันกันด้วยการให้อะไรกันมันมีความสุขเนะี่ยรู้สึกดีคือพอวันพ้ะที่อะไรมันเด้งดึ๋งขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้หนูเลิกแบบเพิ่มก็คือวันพระอยากจะไปนั่งนั่งนั่งมากุฏิอะค่ะ อ่าดีทำบปฝึกไปเรืเรร่อยๆเพิ่ไปเรืเร่อยๆเทเลทเทลน้อยค่ะอืมเมื่อก่อนนี้ทำไม่ได้เลยเมื่อก่อนขึ้นเขาก็ไม่ได้ฟังเทศก็ไม่ได้อะได้แต่ไซบาต์อย่างเดียวค่ะอย่างนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นมาละค่ะเดี๋ยรอปีใหม่สาคนตัวกลับมาจากเชียงรายแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเข้าวัดอีกตอนช่วงก่อนปีใหม่แล้วค่ะนี่พยายามทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะตัอยากจะก้าวหน้า พอยิ่งทําเขาเรียกอะไรอะ่ะมานที่เราเห็นว่าปกติเราไม่เห็นมันเห็นขึ้นขึ้นตลอดเลยนะคะอ่ อ, เ, อ, อเราไปทาเราไปเหยียบเท้ามันนี่ยเมื่อกล่าเราเรามันรับใช้มนันมันมันก็ไม่ว่าอะไรเราอัน <laughs> นี้เราเราเ ร, าเราิเริ่มต่อต้านมานันแล้วใช่มมันก็เริ่มโผล่ขึ้นมานะตอนแรกหนูคิดว่าถ้าหนูยิ่งปฏิบัติทุกอย่างจะยิ่งดีแต่มันกลับไม่ใช่นะคะ ก็<ช>ดีไง<ช>ดีแต่มันต้องสู้กับมนันนะเราเราเป็นท่าเราเป็นท่ายของมานแล้วตอนนี้เราพอเราปฏิบัติเหมือนกับเราประกาศว่าต่อไปนี้เราไม่เป็นท่ายของเธอแล้วนะอะมามันก็เลยต้องมามาจัดการกับเรามันก็รู้สึกยากใช่ถ้ามันเราต้องสู้กับตรงนี้เราถึงจะผ่านไปได้ใช่ไหมคะใช่ต้องชนะมานให้ได้มานที่ส่งผลนี่คือในใจเราใช่ไหมคะ นญาติๆเราที่ต่อต้านการทําความดีดต่างๆของเราเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกหนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูมีกิเลสใตัวที่มันไม่ดีจนหนูต้บอกว่าเออถ้าเธอไม่ดีก็เลื่องจะเอาในส่วนที่ดีอ่ะของฉันแบบเพื่อมาฆ่าเธออะหนูหนูคิดใจงั้ น, งงนตลอบเลยใช่ดีแลละ่ะเอาความดีชนะความชั่วน ะ, ะอย่าอย่าไปยอมความชั่วเอาความดีตอบส<ะ>นองเอาคำสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติ ทำทําดีน่าเชื่อซับพอกใจให้จ้าโดยสุดเนี่ยได้ได้ได้เยอะแล้วค่ะตั้งแต่หนูทาจะหลายปีหนูกล่าวว่าทําจนตายเลยค่ะเออีค่ะทําไปนะสาธุสาธุาธค่ะอะคุณมาลีสาคุมาลีมาลีไปถึงไหนนะใจอย่าถึงฝังใกล้จะถึงฝังแล้วนะ พยายามเต็มที่เลยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ลดละค่ะมีแต่เพิ่มค่ะหลวงพ่ออ่าเด็กตอนนี้นนไม่ได้ไม่ตอนนี้ไม่ได้ไปไปปฏิบัติที่ที่อื่นเลยนอกจากที่บ้านเนะี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อเพราะว่าวันวันจุดหนูก็จะกลับไปที่นครนายกแล้วก็หนูก็ไปขึ้นไปุฏิส่วนตัวค่ะหลวงพ่อก็อปฏิบัติ กติที่วัดหรือว่าปกติที่บ้านที่บ้านค่ะทธิบ้นนี่ที่สร้างไว้สำหรับปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อก็คือเหมือนโลกส่วนตัวเลยค่ะหลองพ่อหนูก็จะทําเต็มที่ค่ะพ่อเขาทําหน้าที่ดูแลแม่เสร็จก็ขึ้นค่ะอะขึ้นค่ะก็ดีค่ะหลวงพ่อ พยายพยายามพยายา ม, พยายามทุกวันเลยค่ะหลวงพ่อแล้วมาทําที่ทํางานหนุก็ทําทําตลอดค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือใจอ่ะพอเลิกจกัดไม่ได้คิดงานช่วงเวลาพักก็จะขึ้นขึ้นไปตลอดค่ะหพอไปอปฏิบัติแล้ ว, วฟังฟังธรรมะค่ะหลวงพ่อที่ที่บอกว่าถ้าคนที่เขาได้ขั้นที่หนึ่งแล้วว่าเขาต้องละทีเดสามตัวแล้วถ้าเกิดเป็นขั้นที่สองอะค่ะ เขาบอกว่าต้องละกามแล้วปฏิฆะไอ้กามตรงเนี้มันหมายถึงความอยากร่วมเพศไม่ควาอย่างร่วมเพศกันอ๋อเฉพาะกามผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวเหรอคะอันนี้ชัวร์ผู้หญิงผู้ชายต้องพิจารณาสุภาพหนูนูเข้าใจว่าคิดว่าเรื่องหมายหมายถึงว่ากามทุกเรื่องเลยอ่ะคะมือนกันด้วยแต่ตัวตัวตัวที่มันสุดยอดของกามก็คือตัวเนี้ย ถ้าถ้ารักตอนนี้ด้านก็แล้วตัวหนุนได้หมดนะดูหนังฟังเพลงมันไม่เท่าไหร่หรอกกินอะไรมันไม่เหมือนกับการที่อยากจะร่วมเพศกันเนตัวนี้มันสําคัญที่ีะต้องอยู่ด้วยกันต้งแต่งงานางกันก็เพราะตัวนี้แหละถ้ารักตอนนี้ได้ก็อยู่เป็นโสดได้ต้องใจอัปนศสุภาต้องมองร่างกายของแฟนแล้วเป็นซากศพไป เห็นตับไตใช่พงเห็นยุจนะปัสสาวะอะไรต่างๆนี่แล้วแล้วสมมติมันมันแต่งงานไปแล้วค่ะหลวงพ่อและทีเนี้ยแต่ว่าพอทุกวันนี้เราเปนเหมือนโรเมจเฉยๆค่ะหลวงพ่อก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าเป็นโรเมจกันไปแล้วเป็นโสเพณีไปก็ได้แต่เวลาแต่เวลาจะทำบุญการบริการให้เขาแต่เราไม่มีอารมณ์กับเขา่ ไม่ไม่ได้ให้บริการอะไรเลยครับเป็นสิบปีแล้วค่ะหลวงพ่อคือหนูไม่ไม่ไม่มีไม่มีการเอเราไม่มีการเราไม่มีอารมณ์ก็แล้วกันเขาจะมีเราก็ห้ามเขาไม่ได้ไม่งั้นก็อยู่กับเขาอยู่เขาจะมีก็ปล่อยก็ทํากิจของเขาไปอ๋อไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวไม่ค้องเลยค่ะหลวงพ่อก็ได้ยิ่งดีแยกเตียงนอนแยกห้องกันนอนได้ก็ก็ยิ่งดีหนูหนูก็เลยฟังเอ๊ะหนูสงสัยว่าเอ๊ะมันกรรม ทุกอย่างหรือว่าเฉพาะเรือเ่องในอย่างเดียวก็รวมทั้งทุกอย่างด้วยนะแต่มันสุวนยอดก็ไอ้ตัวนี้มันก็ยังต้องไม่ต้องไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ต้องกินอาหารบ่อยๆกินแค่มือเดียวทำอย่างนี้หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไอเขาพวกนี้มันรู้สึกว่ามันเปรีปย่อยแล้วเปรีบเที่ยวกับการที่จะต้องร่วมเพศกันเนี่ยตัวนี้มันตัวตัวที่หนักที่สุดะ ถ้าได้ตัวนี้ได้มันได้ตัวตัวอื่นมันะได้ง่ายดูหนังพังเพลงไม่ดูก็ได้ไม่กินก็ได้อะไรก็ได้แต่ตัวนี้มันยากที่สุดเนี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมคะหลวงพ่อตัวใหญ่ค่ะหลวงพ่อจะไปก่อนอ่ะที่บอกว่ากินอาหารอ่ะมันก็ยังมีกินโน่นกินนี่แต่พอที่ก่อนเข้าศึรษาที่หลวงพ่อบอกอ่ะตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ยหนูยังไม่ได้คือเป็นคือไม่คิดว่าจะทํา มาถึงทุกวันเนี้ยถ้าเรา้ะมันไม่ที่จะคิดว่าจะอยากกินอยากกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่กินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก็พออย่าไปกินด้วยความอยากโอ้ยอยากกินมากให้นู่นอยากกินนี่นี่อเป็นกิเลสทั้งนั้นะค่ะแล้วที่บอกว่าต้องหมายถึงว่าตอนข้อสามค่ะกิเลสข้อสามที่บอกว่าให้ อะไรนะสินนะคะเรื่องสินนะคะหลวงพ่อสินบริสุตรอันเนี้ยมันรวมมันต้องบวกกรรมบทญสิเข้าไปด้วยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยเอ๊ะการการละอ่ามันมันต้องคนที่เขาจะได้ตรงเนี้สินจะต้องบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อสินต้องครบอะไรอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อความหมายคือว่า หมายถึงว่าที่บอกว่าละข้อหนึ่งไม่รักตัวกลัวตายสองเขาลบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่สามสินนะค่ะที่ไม่ล่วงเกินสินตัวนี้ก็คือก็คือเซนห้าเซนห้าเซห้าค่ะเซนห้าแล้วต้องต้องบวกเข้าไปอีกก็ยังร่วมเพศได้แต่ต้องร่วมเพศกับสามีภรรยาของตนเองไม่ไปร่วมเพศกับคนอื่น ค่ะหลวงพ่อนึกหนูนึกว่าตัดตรงนี้ออกไปเลยยังไม่ตัดยังต้องต้องขันที่สองไงเริ่มตัดขั้นที่สองเริ่มเริ่มขอแฟนหบอกว่าขอขอลดการร่วมลํานอนกันหน่อยได้ไหมเออมันงาดไปอาทิตย์นึงเอาแค่วันเดียวเลยอือต่อไปก็แยกคนละแยกกันนอนกันคนละห้องไปเลยหนูตัดไปเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็แยกด้วยค่ะเอ่าก็น่าก็ก็ดีถ้าถ้าเขาเข้าใจก็ดีไป แล้วเราก็อย่าไปมีอารมณ์นึกถึงเขาแต่มันจะแยกห้องแต่ได้บางทียังนึกถึงเขายังมีอารมณ์อยู่ก็ต้องต้องระงับอารมณ์นั้นให้ได้ต้องไม่มีอารมณ์เลยพอมีอารมณ์ต้องก็สุภาพขึ้นมาเลยจะไปนอนกับผีเหรอมีแต่ความน่าเกลียดพยายามพยานาโอเคหมดเวลาแล้ว เวลาแล้วก็นนี่นะค่ะขอบคุณาค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อพยายามให้ถึงที่สุดนะบารมกุลาต่อมกุลาไม่กี่คำถามกรับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง Facebook และ y o u t u ู e เจ้าค่ะมาว่ามาเลยกรับนมัสการครับพระอาจารย์การมีสติดูจิตระหว่างวันในช่วงที่ไม่ได้ภาวนา ผมดูว่าคิดดีหรือไม่ดีมีอารมฟุ้งซ่านไปทางอดีตหรืออนาคตดีใจหรือเสียใจหรือยึดมั่นอะไรแล้วพยายามใช้ปัญญาสอนเพื่อละวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นการดูจิตเช่นนี้เป็นการทําที่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกอะ่ะถ้าจิตเรายังถ้ารยังไม่มีอุเบกขายังเข้าฌานไม่ได้อย่างไม่ดูจิตดูร่างกายเพื่อให้มีสติหยุดหยุด หยุดจิตให้ได้ก่อนทําจิตให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนไปดูมันก็เหมือนก็วิ่งไล่จับมันนะวิ่งไล่จับลิงเอ่ะวิ่งจับไงก็วิ่งไล่จับมันไม่ทันหรอกต้องหาเชือกมาจับผูกลิงไว้ก่อนแต่ทีนี้ค่อยค่อยค่อยๆเฝ้ามันดูพอมันจะทําอะไรเพลีก็ตีมันได้แต่ถ้าไม่มีเชือกมัดไว้มันจะไปไล่ตีมันไล่ไล่ตีมันไม่ทันหรอกเวลามันทําอะไรไม่ดี เบื้องตอนอย่าเพิ่งไปดูจิตชาวไปดูจิตกันนั่งกินพมันสบายมันไม่มันไม่ต้องมองครับจิตมันวิ่งไปไหนก็วิ่งตามันไปอืต้องพยายามหยุด จ, จิตให้ได้ก่อนด้วยการดูร่างกายหรือดูอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยให้มีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อที่เวลามานั่งสมาธิจะได้เข้าฌานได้จิตจะได้นิ่งได้สงบได้พอจิตนิ่งสงบมิ มีสติมีกําลังอยุดจิตได้ทีนี้ค่อยมาดูจิตต่อไปท่านต่อไปคําถามต่อไปขอพระอาจารย์เมตตาสอนการพิจารณาว่าเวทนาไม่ใช่เราอย่างไรครับเออเวทนามันก็เป็นความรู้สึกมันจะเป็นเราได้ไงมันก็เป็นแค่ความรู้สึกอ่ลเวลามันปวดมันบอกว่ามันมันมันบอกว่าเราปวดหรือเปล่ามันไม่ได้บอกเราปวดเท่าหนหร่เราไปบอกเราเองว่าเราปวด เราคือจิตผู้คิดไปคิดว่ามันเป็นเร า, าจริงๆมันไม่ได้เป็นเรามันก็เป็นแค่เวทนามันเหมือนฝนตกเนี it, ้ยเวลาฝนตกเราไปบอกเป็นฝนเป็นเราหร Оп ือเปล่าเวลาลมพัดเราไปบอกลมลมพัดเป็นเราหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอ่ะมันก็เป็นลมมันก็เป็นฝนเวทนามันก็เป็นเวทนามันไม่ได้เป็นเราขนาดจิตเราไปไปไ ป, ไปเคลมขึ้นมาเองเป็นเคลมโ so บุร er ีขึ้นมาเองเข้าใจไหม <Okay. S 2> คำถามต่อไปถ้าทํางานจิตอาสาและต้องทํางานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เอื้อเฟื้อในการทํางานร่วมกันเป็นปีๆเราควรจะใช้หลักถอยห่างจากคนและออกจากองค์กรเพื่อจะได้เพิ่มเวลาภาวนาส่วนตัวหรือควรจะใช้หลักทุกบ่มีปัญญาบอกเกิดและทํางานร่วมกันต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ แล้วแต่เรต้องการจะทํา ง, ทงานชนิดไหนถ้าต้องทํางานสาธารนณะกุศลอยู่ก็ทําไปแต่ถ้าต้องการไปภาวนาก็ก็เปกไปเลยไปอยู่คนเดียวเลยอ่มันมีสองระดับทําบุญทําทานกับทาภาวนาเอ่าภาวนานี่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าทําบุญทําทานแต่ถ้ายัางไปทําภาวนาไม่ได้ยังต้องทําบุญทําทานต่อไปก็ต้องทําทําใจอยู่กับคนเพราะคนของมันก็หลากหลาย เราไปควบคุม บ, บังคับไปเขาไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไปภาวนาได้ก็ทิ้งงานนี้ไปเลยจดีกว่าทิ้งงานทำบุญทำทานไปเราไปทำงานภาวนาจะได้ประโยชน์มากกว่าคาถามสุดท้ายสอบถามครับเราต้องนั่งสมาธิไหมครับบางคนบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิให้ฟังทมอย่างเดียวครับ ก็แล้วแต่เราอยู่ขั้นไหนถ้ า, าอยู่ขั้นฟังธรรมก็ฟังธรรมไปก่อนนะแต่ถ้าเราอยู่ขั้นปฏิบัติสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิเนี่ยมันมีตั้งแต่ฟังธรรมแล้วก็เรียนรู้วิธีการต่างๆว่าต้องทำอะไรฟังธรรมเราจะรู้ว่าเราต้องทำบุญทำทานอ่ะแล้วก็ไปทำบุญใส่บาทรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาภาวนาะเราก็ต้องนั่งสมาธิอ่ะใจนะ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันมีมันมีหน้าที่ของมันเบื้องต้นต้องฟังทำก่อนต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกันว่าต้องปฏิบัติอย่างไรพอรู้แล้วเราต้องปฏิบัติทานทำทานไปต้องรักษาสีก็รักษาไปต้องนั่งสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิไปต้องพิจารณาปัญญาแล้วเราพิจารณาไปเป็นต้นมันต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว มันต้องทำทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะมันมีขั้นตอนของมันโอเคนะหมดแล้วใช่ไหมคำถามคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะก็พอดีกับเวลาที่หมดไปก็ขอให้ท่านจงนำาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ